นรนพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันครั้งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่สนใจอยากจะร่วมก็เชิญเข้ามาได้เราก็จะไ ป, ไปที่วันนี้ไปที่จะแมทกับจัดที่ก่อน นำ้ำมัตการค้าอาจารย์ครับไม่งไงครับวันนี้ครับวันนี้มาส่งกันมาแล้วก็รายงานสอ ง, อ, ง อ, อย่องครับรายงานก่อนเลยก็คือตอนนี้นั่งสมาธิเพิ่มขึ้นเป็นสามสิบห้านาทีนะแล้วครับในเวลาและได้ความสงบด้วยหรือเปล่าครับพอได้ครับทั้งปริมาณแะทั้งคุณกกภาพด้วยนะครับเ อ, อ่อ แต่ก็ยังไงก็พยายามทำให้มากไว้ก่อนก็ดีครับแล้วไอ้อข้อเลยก็คือเริ่มตอนนี้เริ่มเปิดดูสือกายรต า, าสติครับดูอาการสมดุลหรือเปล่าเห็นอาการต่างๆไหมเห็นกันดูเห็นนำไส้เห็นปอดไหมเห็นครับอแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างไม่สวยไม่งามครับไม่สวยไม่งามนะโอเค ด, ดูทุกวันเลน้องท่ดูทุกวั น, เ, น, ว น, เ, นเวลาเราต้องอาการสายสองเราไปเปิดดูอยู่ตรงไหนไมั้งโอเคตอนนี้เาจะส่งการบ้านต่อได้ไหมทำมาเลยรความแก่เป็นธรรมดาจะลุ้มพนความแก่ไปไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเ็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจหลายทั้งปวงรอบมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ต like okay ิดตามมีกรรมเป็นที่พึ่อาศัย เราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเรา<ห>ทั้ง ห, หลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอไม่ยอมทำทุกวันนะเช่นเดียวกาการ พ, พิจารณาอาการ32มีอะไรบ้า ง, างล่างกามีผมวนเล็บฟันหนังเนื้อ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 น้ำแข็งข้อนาำมูดน้ำมูดน้ำเข็งข้อน้ำมูดน้ำลายน้ำเหลวน้ำตาน้ำข้นน้ำเงื่อ่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเส็่น้ำเยื่อในสมองฉีดสัตว์อาหารเก่าอาหารใหม่ไ้น้อยไ้ใหญ่ปอดไตสมผือ่ดตับหัวใจหมามเยนกระดู กระดูกเอนเนื้อหนังฟันและขนผมเห็นหมดแน่เห็นภาพตอนนี้ใช่ไหมครับก็ก็เห็นภาพแล้วรู้สึกไงน่ากลัวไหมไม่ออยู่กันมาตั้งแต่เกิดนะครับ พีมาางไหอ่ะผี่ำนาจจากร่างกายนี้หรือเปล่าตอนนี้เราไม่กลัวร่างกายนี้เพราะไม่มีลมหายใจเกลัวขึ้นมาทันทีนตอนที่มีลมหายใจน่ากลัวกว่านะเขาทุบตีเราได้ตอ น, นี้ก็ไม่มีลมหายใจเ้าก็จะมาทุบตีเราได้หรอเป่สิแบ่งนะคนกลัวคนตายมากกว่ากลัวคนเป็นนะ <c oughs> นี่แสดงว่าไม่มีเหตุผลไม่มีปัญญานะอถ้าฉช้ปัญญาคนคนเป็นนี่น่ากลัวว่าคนตายนะมันเป็นอย่างด่าเราได้ยังทุบตีเราได้ทำร้ายเราได้ครับคนตายเนี่ยด่าเราไม่ได้ก็ทำอะไรเราไม่ได้เลยเราไปกลัวทำไมนะคิดอะไรนักคิดจะเห็นด้วยครับต่อไปกล้าไปดูของ กล้าไปดูคนตายไหมเขาต้องลองครับอยากอยากจะลองไหมแล้ยังไม่กล้ายัางไม่ค่อยกล้าอ้าวมันน่นากลัวตรงไหนนะ่ะคนเป็นคนตายใครน่ากลัวกับกันอะ นี่ก็เอาไว้คิดดู น, นะแต่ถ้าวันหนึ่งครั้งหน้าอยากจะไปะทดสอบ จ, จิตใจทดสอบสติปัญญาของเราว่าเรามีปัญญาไมเเ่เนื้อเน้อยังมีความหลงอยู่มีปัญญาจะไม่มีอะไรน่ากลัวแต่ถ้ามีปัญญาแล้วมันก็น่ากลัวเปนไหมตามความรู้สึกตามความหลง อ่าโอเคมีอะไรจะทําให้ไม่มีแล้วครับนม่ล่ะไม่ครับโอเอไม่มีมมกลับไปท<ร>ี่พาอจานครับทีมเด็กชายทีมกัคุณแม่ฝนทางนมันประการค่ะพ่อจานให้ทิมส่งกันมานก่อนวันนี้ก็มีเรื่องสมาธิตามปกติทุกวันช่วงนี้ก็พยายามทําให้มากขึ้นครับแล้วก็พยายามจะนั่งให้เยอะขึ้น เวลาให้มากขึ้นด้วยแล้วได้ผลอะไรไหมยังมีคันอยู่กับออคิดเรื่องอื่นครับอืม <c oughs> นิดิดเท่นีน้ิอ่าแล้วก็ช่วง น, นี้ก็จะสอบครับเลยแล้วก็นัองคายก็คันตลอดก็เลย พยายามจะนั่งสมาธิไปค่ครับคือเหมือนว่าเวลาเขานั่งอะค่ะพระอาจารย์เขายังมีอาการคันอยู่อะค่ะยังยังยังสลัดตรงนี้ไม่หลุดนะคะแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะจะจะจะเห็นที่เขาฟังจากที่เขาเคยเล่านะคะเขาพยายามจะท่องอืมท่องอิตาลิโซใช่ไหมลูกใช่ป่ะคะื แต่มันก็ยังยังคันอยู่เลยแบบเนี้ค่ะเขาก็ยังแบบยังละการที่จะไม่เกาไม่ได้เลยแบบเนี้เจ้าค่นะก็พยายามสวดมนต์ไปก่อนก็ได้นะสวดฤทธิพิโสไปน้อย่าไปสนใจกับอาการคันเนืส้สภาพมันก็จะหายไปเองนะอยู่กับการสวดฤทธิพิโสไปหลายๆรอหลายรอบครับได้ครับเดี๋ยวนะจะทำครับปฏิบัติตามครับ เหมือนอย่างเมื่อกี้เวลาเขาเข้ามาก็ก็ดีอะค่ะพ่อจายเขาก็ได้ฟังพี่ พ, พี่พูดถึงนะคะอย่างเมื่อกี้พี่พี่เขาพูดถึงว่าเขาแบบดูปอดดูตับไตเขาเขาดูอย่างนี้แล้วหรออะไรอย่างเงี้ย <ừ. S 2> ก็ ก, ก็อธิบายเขาแต่เขายัง ย, ยัง ย, ยัง ย, ยังไม่ถึงขั้นยังไม่เข้าใจอะค่ะพ่อจายแต่ว่าหนูก็ <c oughs> แค่รู้สึกว่าแค่เขาได้ฟังผ่านผ่านหูก็ก็ก็ดีกับตัวเขาแล้วค่ะพ่อจายแล้วของมันอีในตัวเราไม่ใช่หรอปอดมีไหม นี่น่าจะเราเราจะทำความรู้จักมันนะใช่ไหมได้ครับอ่าต่อไปมาศึกษาร่างกายเราเราจะได้รู้จักร่างกายเราดีขึ้นนะครับจะศึกษาครับ <c oughs> อา่าอาจจะเป็นหมออะไรเป็นหมอ <c oughs> จะเป็นไม่อยากเป็นหมอครับไม่อยากนะทําไมล่มนะมันดีๆเป็นหมอยากครับ ยากนะโอเคเป็นท่างง่ายกว่าไหมเป็นพ่างน้ากว่าไหมเป็นพ่างไหมไม่อยากเป็นพ่างด้วยพ่านก็ไม่อยากเป็นนะยากเหมือนกันนะพ่ากินทุกมือไม่ได้ครับเพราะว่าขาช่างเข้ามาไม่เป็นไรก็พูดไปตามภาษาเด็กรับยังหมดอดข้าวเย็นไม่ได้นะ โอเคไม่เป็นฝึกไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเข้าใจมากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะค่ะพระอาจารย์ส่วนของหนูว่าค่ะพระอาจารย์ขออนุญาตส่งกันบ้านที่อบอกพระอาจารย์ว่าที่มีปัญหาเรื่องรับประทานอาหารนะคะทีนี้หนูก็ลองลองอ่ที่จะทานให้น้อยลงตามที่พระอาจารย์บอกใช่ไหมคะแต่ว่าปรากฏว่ามันก็ยังก็ลองนั่งแล้วะคะ่ะพระอาจารย์มันก็ยังมีอาการที่ ง่วงนอนอยู่อะค่ะทีนี้หนูก็เลยพยายามมาหาสาเหตุว่ามันเป็นเพราะอะไรขนาดเรากินน้อยลงแล้วเนี่ยค่ะเราก็ยังแบบมันนั่งแล้วมันยังง่วงนอนอยู่อะค่ะก็หนูคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าหนูนั่งสมาธิอาจจะดึกเกินไปอะค่ะอาจจะดึกดึกเกินไปอะค่ะมันก็เลยทําให้แบบว่าง่วงนอนนะคะหนูก็เลยเอวันเสาร์หนูเปลี่ยนมานั่ง ไ, er, ไม่น่าจะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะคะหนูเปลี่ยนมานั่งตอนกลางวันตอนที่ ตอนช่วงเวลาที่มันสงบอะค่ะมันกับไม่มีใครมาวุ่นวายค่ะก็ก็สามารถนั่งนั่งได้เออ่ได้เป็นระยะเวลาที่พอสมควรเลยเหมือนกั น, น่ะคะอาจารย์ก็ลองดูตอนตื่นเช้ามือมาดูก็ได้ตอนเรานอนหลับเต็มทีนะ่แล้วแล้วเราตื่นเช้มือาตอนเช้า <c oughs> หรือว่าก็ต้องรู้จักบริหารจัดการทดสอบทนลองดูเวลาต่างๆ <c oughs> อ่าเวลาไหนเหมาะกับการนั่ง แต่ต่อไปถ้าเราต้องการปฏิบัติมากขึ้นนั่งมากขึ้นมันก็มันก็ต้องเจอเวลาที่มันอาจจะทำให้เราง่วงเราก็ต้องอาจจะอันนี้ยังไม่จาเป็นถ้าจาเป็นจริงๆก็อาจจะอดอาหารบ้างก็ได้หนูก็คิดเรื่องนี้อยู่ค่ะพระอาจารย์พอดีวันนี้หนูได้อ่านบทความที่พระอาจารย์เคยกล่าวถึงนะคะเรื่องที่พระอาจารย์อดอาหารนะคะ พอดีมันมันวักเข้ามาพอดีข้ออ่านอ่านเจอวันนี้พอดีค่ะก็เลยเริ่มเริ่มมีคิดเข้ามาในหัวอยู่เหมือนกันเหมือนเหมือนดอดนิสัยตัวเองเพราะว่าแบบเราก็อาจจะยังควบคุมการกินได้ไม่ดีพอด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะคือมีคิดวักวักเข้ามาในหัวอยู่เหมือนกันค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเอ่อจะจะค่อยค่อยเป็นค่อยคไปก่อนค่ะก็เลยคิดว่าจะลองอันนี้อาจจะเหมาะกับเวลาที่เราไปปฏิบัติคนเดียวอยู่การลาพังแล้วต้องการที่จว ให้เวลากับการปฏิบัติให้มากที่สุดถ้าทีมากได้ก็ก็อาจจะใช้การอดอาหารนี้ช่วยไม่อองั้นมันเดี๋ยวจะหาช่องช่องไปนอนด้วยใช่ค่ะใช่เดี๋มันงน่มันวุ่นอะไรแบบนี้ค่ะก็ก็คิดอยู่เหมือนกันอาจจะต้อง จัดการกับนิสัยดัดนิสัยตัวเองตรงนี้นยค่ะแต่ว่าอะไรวาเององั้นเดี๋ยวเอาทีละสเต็ปก็เลยอคิดถึงเรื่องที่พาอาจารย์อสอนมาอยู่เหมือนกันว่าแนะนํามาอยู่เหมือนกันว่าอาจจะลองเปลี่ยนตามมานั่งตอนรอบเช้าดูอะค่ะที่ตื่นเช้าขึ้นมามันอาจจะแบบเฟรชขึ้นในเวลากินอาหารเราเอาอาหารทุกอย่างที่เราจะกินมันรวมกันในชามนะครบคนมันแล้วมันต้องไปลงนในท้องอยู่ดีไหมเหนี่ย หนูก็เห็นว่าอาจารย์อ่านว่าทำอย่างนั้นหนูก็รู้สึกว่าเออแบบเอาเดี๋ยวเดี๋ยววันนเดี๋ยวจะไปถึสเต็ปหน้านะมียันใหญ่กินอันนั้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยนะมันอร่อยไปก็มาดูงกันที่เดียวเลยเดี๋ยวมันจะไปรองมันในท้องอยู่ดีไม่ใใหม เล้วก็เลยแบบอ่านแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจทําให้รู้สึกว่าเออแบบแบบพระอาจารย์ก็ทํามาเยอะผ่านมาเยอะค่ะเราก็แบบก็มันสนุกดีนะถ้ากล้าทำนะมันก็ไม่มีอะไรหนาทําไปทํามาไม่กลับอร่อยขึ้นมาสิ <c oughs> เป็น า, าน้าจา์เดียวเดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนหนูได้ลองทําอย่างที่ท่านว่าแล้วหนูจะมารายงานว่าลองกินแล้วมันเป็นยังไงสิบห มันจะตัดปัญหาเรื่องการกินอาหารได้มากเลยเรื่องจู้จี่จุกจิกอั น, นก็เบื่ออันนี้ก็เบื่ออยากกินนู่นอยากกินนี่ทามาคลุกกันทีเดียวเลยเราไปกินอะไรก็กินได้หมดกวเดี๋ยวจะลองดูค่ะอาจารย์แต่ว่าสเต็ปแรกเดี๋ยวขออนุ ญ, ญาตเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเวลานั่งดูก่อนนะคะอาจารย์ว่าอันนี้หมาย<ม>ถึง เ, เวลาไปปฏิบัติ คนเขาไล้อยู่คนเดียวต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคื น, นก็นะคิดะพระอาจารย์เพราะว่าอย่างเหมือนยังรอบที่เราที่ไปมาคือเป็นครั้งแรกด้วยะ่ะที่ไปแล้วมันรู้สึกเหมือนมันยังต้องมาเจอคนพุกพ้านแล้วมันมันรู้สึกว่ามัน ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยสงบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพรอาจารย์แต่เราก็ยังไม่แก่กล้าพอที่จะไปปฏิบัติคนเดียวบนเขาค่ะก็เลยยังไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันนะคะค่อยๆพัฒนาไปเวลาอนี้เราก็พูดคุยกันไว้ให้ให้เห็นภาพรวมไว้ก่อนนะกันวิธนทางที่เราจะไปแค่ต้องการที่จะพัฒนาจิตใจให้ให้มากขึ้นดีขึ้นก็ค่ะเหมือนเรามีมาตรการเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆก็เดี๋ยว จะพยายามค่ะเพราะว่าเรามีเป้าหมายนะค่ะพระอาจารย์ก็เลยต้อ ง, ต, องต้องพยายามจะดูว่าเออทายังไงมันถึงจะไปตามเป้าหมายที่ที่หวังเอาไว้ค่ะพระอาจารย์ใช่ก็ต้องตั้งเป้าไว้ก่อนแล้วก็ใช้ความเพียรยายามผลักดันไปนะค่ะค่ะพระอาจารย์จะน้อมนาไปปฏิบัติแล้วค่ะกลับขอพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงถ้า ถ, ถ้าลูกหนูพูดอะไรผิดพ ไ, ไปก็กลับขอ ข, อขมาไปไม่ไ ม, ไม่ต้อง ต้องวอนนะวอ่ะก็พูดไปตามภาษาเด็กดีที่เขาไม่เขาไม่มีการแบบอ่าแสดงบทบาทเขาพูดไปตามความตามประษาของเขาไม่เป็นไรหรอกเด็กขอบคุณครับกลับขอบคุณแพชชั่ อาาจค่ะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวจะกลยวจะไม่ให้เขาเข้ามาอีกอ๋อไม่ค่ะอาจาก็ยังไงจะให้เข้ามาค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามันเป็นการมันเป็นการดีสําหรับตัวเขาอะค่ะไม่มากก็น้อยหนูคิดว่าเขาต้องได้รับอะไรจับต้องไปบ้างนะคะพระอาจารย์นึกว่าที่เราไปสามผ่านรับรู้เนี่ยมันต้องมีผลกระทบต่อจิตใจแล้วค่ะค่ะก็ไม่มากก็น้อยมันมันต้องมีอะไรเข้าไปบ้างนะคะพระอาจารย์อย่างน้อยก็ได้เรียน ได้ฟังในสิ่งที่คนโทวไปนในโลกนี้ก็ไม่ทํากันไม่พูดกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาแบบเขาทําได้ดีขึ้นนะคะอาจารย์แบบหมายถึงว่าเขา <c oughs> อย่างน้อยเขาก็รู้หน้าที่ว่าเขาจะต้องสวดมนต์นั่นสมาธิเดี๋ยวนี้ทุกวันพูดเขารู้แล้วว่าเขาต้องเข้าสู่ให้คุณแม่แบบไม่ต้องเตือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขารู้หน้าที่แบบไม่ต้องทิมมาต้องรัคือไม่ต้องเรียกอะไร <c oughs> คือรู้หน้าที่มากขึ้นค่อยหนูคิดว่ามันค่อยๆจะพัฒนาคะอาจารย์ อยู่ที่เราที่คอยอบรมทั้งสองแล้วด้วยพรวนกันในสิ่งที่ดีค่ขอบคุณค่ะอาจารย์และเจ้าของน้องเพีกับคุณแม่ต่อเมื่อน้องเพียไหว้พสะสวดมนตนั่งสมาธิรู้บังก็นั่งค่ะนั่งได้เออนั่งสองวันได้ดีคร่ะสอบแล้วสองได้ห้านาทีครับ ออได้ต้องห้านาทีลลเลยไม่มากไปเลยมากที่สุดเลยค่ะเนี่มากเหมือนรู้สึกา้านาทีนี่มากไมเหมือนเหมือนชั่วโมงเลยใช่ไหมหนาทีเหมือนเวลานั่งดูเล่นเกมนี่ชั่วโมงผ่านไปเมือน้านาทีไหม่ไหมอ๋เอเคยย้าไมเป็นอย่างนั้นเนะี่ยเวลามันก็เท่ากันทาไมเวลา เล่นเกมเนี่ยแต่มันเวลาผ่านไปเร็วแล้วมันมีมีความสุขอันไหนที่มีความทุกข์ล่ะแตมันมันช้าเกินเวลาครัพอพอเนาะหมอจะพูดได้ไหมเรื่องแปรงสีฟันค่ะว่าแปรงสีฟันเหมือนเหมือนแปรงสีฟันไหมเนี่ยอืมก็บอกได้เวลานั่งสวดมนต์เหมือนมีอะไรเขาจะ ตอนที่นั่งสมาธิอะไรเงี้ยค่ะตอนที่นั่งสมาธิเหมือนมีแป้งสีฟันมามาใส่ก้นครับเปเล่นเกมมีไหมไม่มีเลยค่ะไม่ได้มีอ่ะแล้วก็ไม่เคยปวดหลังด้วยครับแต่พอนั่งสมาธิปวดหลังเลยยังไม่ได้นั่งก็โอ้โหปวดมากเลยหูยหลังแค่กิเลสนะมั้กิเลสมันจะคอยขวางการปฏิบัติ ของเราเราต้องอย่าไ ป, าไปสนใจบ mm hmm. ิเลนี่เก่งนะมันสามารถเนื้อเม็ดอะไรสิ่งที่ไม่มีให้เป็นมีขึ้นมาได้นะอ mm hmm. แรงเสียฟันไม่เคยมีอยู่ดีก็ะโโผขึ้นมาได้นะใชามันเป็นด้วยอัตังโมมันแล้วมันเหมือนมันรู้เลยว่าเราชอบอะไรเรามีความสุขกับตรงนั้น mm hmm. ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เรามีความรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เรามีความสุขตรงนั้น mm hmm. ทําให้เรารู้สึกว่าเอาสุขก็คือแบบ ทำให้เราแบบเหมือนว่าได้เรียนรู้ว่าสูมมันก็อยู่กับเราไม่นานทุกก็อยู่กับเราไม่นานอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เข้าใจอะไรได้ต่อเนื่องนี่ต้องเรียนหลวงพ่อว่าอาทิตย์ก่อนนู้นน้องพีเขาทํามไฟตกใส่ตรงนี้มันก็เลยหลุด<า>ออกจากซูมเดีวยวค่ะแต่แต่หนูก็เข้ามาได้นะคะแต่ว่ารอสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องนอนหนูก็เลยออกจากซูมแล้วก็ฟังในยูทูปประจำปกติ<า>ค่ะแล้วก็การสบายใช่ค่ะจะอากเม่ อ, อ, อมไหร่กัน ทานที่ยาใส่ไม่ไม่ต้องอ น, ท, งนที่แล้วหนูกินยานแล้วหนูมึนแล้วลืมเวลาค่ะก็เลยเข้าไม่ทนันค่ะคแล้วก็แล้วก็หนูก็ไปทำบุญแล้วก็ส่วนมนต์นั่งสมาธิอยู่ตลอดนะคะดีพยายามทำให้มากๆการพัฒนาจิตใจการภาวนานนี้แปลว่าการพัฒนาจิตใจค่ะก็ พยายามที่จะแบบว่าฝืนตัวเองหมดทุกอย่างตอนเช้าก็จะต้องทําว่าเช้าคือต้องทําไม่ได้คือถ้าแบบง่วงก็คือเดินไปรดน้ําต้นไม้ทํานั่นทำนี่ก่อนอแล้วกลับมามันจะทําให้ตัวเองตื่นขึ้นมาะก็จะมีต้องฉลาดต้องจับ <c oughs> <c oughs> หาอุบายต่างๆมาช่วยในการปฏิบัตินะ <c oughs> ถ้าบางทีนั่งๆาบางทีแบบคือมันเพียมากะสับประงกหนูแล้วไม่ได้ล<ๆ>เดิน <c oughs> เดินจงกรมเลยใช่ค่ะเดินเลยค่ะคือต้องบังคับตัวเองอ่ะไม่งั้นก็จะแบบจะกลายเป็นคนขี้เกียจเพราะว่าหนูพยายามที่จะทําทุกวันหนูทําทุกวันอยู่แล้วค่ะอ๋อถ้าไม่มีความเพียรก็ไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้หนูมีเป้าหมายต้องพุ่งชนต้องให้ปฏิบัติเพิ่มให้มากขึ้นเรื่อยๆเอาตัวปฏิบัติเนี่ยผลมันจะตามมาจากการปฏิบัติเนี่ย อย่าไปตั้งที่ผลตั้งที่กา ร, รบริบอ่ะตั้งที่ความเพียรจะทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะจะแว่าเอาชนะตัวเองให้ได้ค่ะถูกต้องดีมากมีอะไรไหมก็พอดีวันนี้จะให้ลูกชายมากราบลาจะกราบลาหลวงพ่อไปบวชค่ะลูกชายคนโต แต่ว่าก็เคยไปหาแผนที่ฝรั่งเศสไม่ไปเลยโอ้ โ, อโหหลวงพอ่อไม่ติดต่อไม่ติดต่อเลยเขาติดต่อกลับมาตอนช่วงเขาไปใหม่ๆก็โทรกลับมาร้องห่มร้องไห้ว่าเขาเสียใจที่เขาทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยทางโน้นนะคะเสียใจขอโทษลูกหนูแล้วก็แล้วเสร็จแล้วก็อา้าก็หลังจากนั้นไม่กี่วันอ้าก็บล็อกลูกหนูอีกลูกหนูก็งงก็ไม่เข้าใจ อีกเที่ยวนึงเอาโทรกลับมาก็ต่อว่าลูกหนูเพราะว่าเพราะว่าลูกหนูทําให้เขาเสียใจเขาก็เลยกลับแล้วก็บล็อกลูกหนูอีกจนพอลูกหนูก็คือผ่านไปที่ที่ที่เขากลับไปค่ะจนถึงวันเสาร์นี้ที่ว่าเขาคือพยายามปล่อยวางให้ได้มากที่สุดแล้วก็ตัดสินใจจะบวชจะไปบวชที่ไหนนะบวชที่วัดประดู่ชินพีเจ้า<ช>ค่ะใช่ค่ะ๋ ย, ยวไปอยู่วัด ป่าไห้หรือจะอยู่ที่วัดที่วัดปานูก็วัดป่าไม่ไม่รู้จักค่ะก็เลยไม่ได้ไปเพราะคงจะอยู่บวชนานหมหนึ่งเดือนเจ้าค่ะเคยบวชได้ยังยังไม่เคยเลยยังไม่เคยเลยค่ะหนูดีใจที่สุดในโลกนี้เลยตัดสินใจเองนะว่าจะบวชก็จริงๆแล้วอ่ะคือเขาอยากจะบวชมาสองเที่ยวแล้วค่ะแต่จริงจริงตอนนั้น ก่อนที่จะไปเรียนปตีก็ได้ไปกราบลาสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็แจ้งกับท่านนะคะว่าจะถ้าเกิดว่าเขาเรียนจบแล้วจะกลับมาบวชแต่ว่าพอดีมันช่วงโควิดแล้วก็อะไรหลายๆอย่างก็เลยไม่ได้บวชกับท่านนะคะจนพอมีแฟนหนูก็ก็รู้สึกเศร้าแต่ก็ไม่ไม่ได้บังคับเขาแต่ก็บอกกับเขาว่าสัจจะ ก, ก็คือสัจจะแต่ว่าตอนนี้ก็กําลังจะหาทางที่จะเข้าไปกราบ กราบพามาลาบวชก่อนเจ้าค่ะแต่ถ้าเข้าไปไม่ได้ก็คงต้องต้องรอว่าถ้าเกิดบวชแล้วก็อาจจะถ้าสะดวกถ้าถ้าเกิดว่าทางสะดวกได้เข้าไปก็คือจะให้ลูกเข้าไปกราบเจ้าค่ะค่ะเพราะว่าก็ไม่อยากให้ผิดศัจจรมันมันไม่ดีรู้สึกไม่ดีค่อย่ที่ไหนเขาเข้าไหมอ๋อเป็นเขาตอนนี้เขากาลังตั้งใจท่องบท <Okay. S 2> บทมากก็อาทิตย์หน้าเจ้าค่ะอาทิตย์หน้าเขาจะบอกจะมากราบหนึ่งตา <Okay. S 2> มีคำถามมีมีคำถามเลย uh, มา uh, มาทำไมเออเมื่อาวานเมื่อวานนี้คะ่ะหนดเมื่อวานคืนนี้หนูได้นั่งสมาธิได้ดีมากสองวนันแล้วหลังจากนั้นหนูก็กำลัง ตอนไปที่ไปโรงเรียนนะคะหนูก็กําลังนึกถึงเพื่อนที่เขา ย, ยังไม่มาโรงเรียนแล้วหนูก็คิดว่าเขาอาจจะมาแล้วแหละแล้วก็หลังจากนั้นหนูก็เห็นเพื่อนเปิ ด, ป, ดประตูกมาแล้วก็เป็นเพื่อนคนที่หนูคิดโดยก็มันก็เป็นอย่างที่มันเป็นไม่น่าไปถามาว่าทำนะํำไะให้ลูกเฉยๆไว้ก็แล้กันก็สังเกตไปได้เลย ทาวหน้าคิดอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างที่เราคิดอีกหรือเปล่าต้อดูไปต้องดูไปบ่อยๆต้องดูถ้ามันคิดทีไรก็เป็นเหมือนที่หนูคิดทีๆก็แสดงว่าความนูี่มีพลังนะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าเพิ่งไปนะให้ดูไปเรื่อยๆติดตามดูไปเรื่อยๆก่อนทาวหน้าคิดแล้วเขา อ, อา จ, จะไม่มาไปได้อย่างที่คิดก็ได้ แต่ถ้าคิดทุกครั้งแล้วก็เป็นบาตามที่เราคิดทุกครั้งก็แสดงว่าความคิดของหนูนี่มีพลังมากแต่ก็ไม่ต้องไป <c oughs> ไม่ต้องไปดีใจอะไรกับมันมันก็ไม่ยังไม่มันไม่ใช่เป็นของวิเศษของวิเศษให้เราชนะกิเลสการดิการให้เรานั่งสมาธิได้มากๆากดีกว่านี้ยังดีกว่าก็หนูได้ทำโทษเขาอะค่ะคือถ้าไม่ฟัง ไม่เชื่ออะไรหลายหอย่างมือถือไม่ต้องเอาไปโรงเรียนคะ่ะหนูเขาเรียกว่าอะไรกําจัดจุดอ่อนไม่ให้เอาไปสามสี่วันจนยอมนั่งสมาธิได้ดีสองวันมไม่พอยวายใช่ต้องมีมาตรการค่อทั้งลอ่อทั้งห้ามนะใช่ค่ ะ, อ, ะอินเซนティブถ้าอยากจะใช้มือถือก็ต้องนั่งสมาธิก่อนค่ะคือหลายอย่างเลยคะ่ะหนูเอารวมทีเดียวเลยถ้าดื้อเมื่อไหร่ไม่เชื่อฟังมือถือคือจะมีสิบข้อรวมอยู่ในมือถืออันเดียว เขานั้นที่แม่ตัวเก็หน้ า, าไปใช้ใกับลูกๆมันคือหนูก็หนูก็คือกดเหล็กคือบอกทุกคนท่านยุ่งคือนี่กดของแม่กดของแม่แม่แม่สามารถทําได้แล้วถึงแม้ว่าเราเข้าใจว่าเขาต้องเอาไปเรียนแต่ก็คือกดก็คือกดคือถ้าหนูทําผิดก็คือไม่ไม่ได้ไม่ให้ออกไปต้อง ตั้งใจแข็งอย่างมากแล้วต่อไปก็จะไม่กล้าทําผิดนะค่ะจะปิดเทอมแล้วค่ะหลวงพ่อปิดเทอมคราวนี้คือยึดถาวรเลยค่ะมือถือไม่มีการเล่นค่ะแต่ถ้าไดไปบ้านคุณยายก็คงได้ไปเล่นอีกไม่ได้ก็คงจะปิดเข้ากันเขาไว้ไม่ได้ตลอดนะใช่ทำเต่าที่เราทําได้ก็แล้วกันใช่ใชค่ะอนี่เรื่องลูกชายหนูนึกขึ้นได้ว่า อ่าวันนี้ลูกชายหนูก็ส่งของคืนให้ให้แฟนเขาไปอยู่ๆเขาก็ส่ง <c oughs> ข้อความกลับมานู่นนี่นั่นห น, หนูก็เลยบอกโอ้นี่นางตันหามนอพอรู้ ว, ว่าจะบวชอยู่ๆหายไปตั้งนานตั้งเกือบเดือนบล็อกทุกสิ่งอย่างอยู่ๆก็แบบว่าส่งข้อความกลับมาอะไรเงี้ยหนูก็เลยถามลูกว่าหนูวันไหวไหมบอกเขาก็บอกว่าเขาไม่ ไม่แล้วจะบวชก็คือบวชม่าม่าไม่ต้องห่วงหนูก็บอกว่านี่พอคนจะบวชก็จะเนื้อหอมอย่างเงี้ยคะ่ะจะมีอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วอยู่ๆก็งานก็รอมาประมาณสักเดือนสองเดือนก็ไม่ติดต่อมาพอจะบวชอยู่ๆก็ทางกียองก็ติดต่อมาให้ลูกเออไปเขาจะสัมภาษ์ลูกก็คือลูกอยู่ในรอบสุดท้ายแล้วว่าจะสัมภาษสลูกจะให้ลูกไปเป็นผู้จัด ก, การในแพเอเชียเนี่ยคะ่ะ ดูเกี่ยวกับพวกเรื่องนักศึกษาต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะพวกเกี่ยวกับพวกอะไรนะ management อะไรพวกนี้ค่ะก็เลยโหแต่ละอย่างเราเข้ามาตอนกำลังจะบวชเนี่ยต้องใช้ปัญญาพิจารณาวิเคราะห์ไปอันไหนสำคัญก่อนอันไหนสำคัญกว่าการก้ า, ก า, กาสิ่งที่สำคัญกว่าโอเคนะมีอะไรไหม ไม่มีค่ะดยอาทิตย์หน้าพะลูกชายเขามากาารับหลวงพ่อแนะนำด้วยเจ้าค่ะขอให้หลวงพ่อ้าตุขงแข็งแรงนะเจ้าค่ะต้องพี น, นั่งสมาธิทุกคืนนะทุกวันนะ<อ>ไม่ห้าวนไม่กล้าตอบครับโอเคจัดมาสรรการเจ้าค่ะไปที่สันโดษกับคุณยายคุณายายชื่อมากน้อย มองย้อยกับสันโดยคูหูครับอาจันกำลังกราบท่านอยู่นะคะแข็งแรงดีนะคุณยายก็อยู่บ้านนะคะเหมือนเดิมดีมากดีมอาจารย์ย่งน้อยยางนยก็ไม่ติดเตียงนะเดินเหินทำอะไรได้นะก็ทำได้นิดหน่อยเจ็ดขาข้างเดียวอันนี้อายุดท่ายับแปดสบสามคะแปดสิบสามะ เยอะมากแล้วนะถึงดาวแล้วำไาแล่ะมากกว่าพระพุทธเจ้าอีกนะพระพุทธเจ้าแค่แปดสิบแล้วเองทำายสามปีแล้วดีรักษาสขภาพให้แข็งแรงนะให้ทำอะไรได้ไม่ต้องพึ้นคนอื่นขอบคุณครับทานอือครับพระอาจารย์้พึ่งกันต้องพึ่งสันโดษนี่นะสันโดษเป็นคนที่จะต้องรับใช้ไปตลอดนะครับพระอาจารย์ก็ มีมีบทบ น, บ น, บนเยอะนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ทนเอาครับเป็นงานทดสอบจิตใจเราไปในตัวไง อ, อ, อสันโดจริงวะอสันโดจริงก็ต้องรับได้ทุกอย่างค่ะบอาจยินดีตามมีตามเกิดตามตามมีตามเกครับอาจอางจยงยังมีแต่ชื่อไม่มีไม่มีตัวนี่มันก็เสียชื่อ มีชื่อแล้วก็ต้องต้องมีตัวด้วยตัวก็ต้องสันโดษด้วยไม่ใช่มีแต่ชื่อแต่ตัวไม่สันโดษตัวจู้จี้จุกจิกอย่างนี้ครับอาจารย์วันนี้เข้ามามาส่งกันบ้านอาจารย์ตั้งแต่ที่อาจารย์สั่งกันบ้านไปครับทีแแ่แล้วว่าให้ไปนั่งสมาธิมาเพิ่มก็ พยายามพอาจารย์ก็นั่งสมาธิไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงทุกวันครับผมพระาจารย์พระอาจที่สองพราจารย์ทุกวันด้วยืมทุกวันครับผมพระอาจารย์จะสวดจะสวดอ่ตอนทำวัดเช้าครับผมพระอาจารย์แล้วก็ตอนเช้ากับก่อนนอนจะสวดบดพิจารณาสำคัญครับผมพระอาจารย์เน่ทาทุกวันถ้ามันจะได้ไม่ไม่ลืมถ้าไม่ทำมันจะมันก็ลืม ก็พยายามที่จะเร่งความเพียรเพื่อให้เห็นผลเหมือนที่พระอาจารย์แชร์โอเคดีทุกท่านนีน้นะหมดแล้วใช่ไหมครับพระอาจารย์ครับพระอาจ า, okay. ารย์โอเคทุกท่านใหญ่แข็งแรงนะอยู่ไมเกินร้อยแลนะกายยังระลึกถึงท่านอยู่นะคะอยู่ทรมานหลานมัน ให้มันทรมานให้มันต้องคอยรับใช้คุณยายไม่ไดเลยตแล้วทั้งทั้งคุณยายมักน้อยและพระอาจารย์แท็กทีมหลานโส ด, โดพร้อมรับมือโอเคไอดีอาจารย์พร้อมพิไยเชญคุณอนุกูลกับมาตรการพระอาจารย์ค่ะกับแสดงอุทิศจิตด้วยค่ะวันนี้5 0ะสิบพรรา อ่าชายถูกไหมครับอ่าครบห้าสิบปีวันนี้5 0าสิบห้าสิบาวันนี้วันหน้าร้สิบแปดค่ะนี่หกสิบแปดป๊บเดียวนะเวลาผ่านไปแป๊บแล้วครึ่งศตวรรษแล้วแปบเดียวนานมากนานแล้วเสร็จไม่มันผ่านไปหมดแล้วยังจำวันนู้นที่ทุกคนหาอาจารย์ไม่เจอเพราะอาจารย์หายไป ทุกคนถามกันใหญ่หายไปไหนหนอถ้าปีปุ๊บเลยถามไม่เจอเลยยังจาได้พระอาจารย์กลับมาที่ที่วัดข้างล่างอะนะคะยังเป็นกะพระอาจารย์ตอนนี้แล้วก็แป๊บเดียวจริงห้าสิบแล้วค่ะผู <S <S 2> <S 2> ้เราก็แป๊บเดียวอาจจะห้าสิบสอง ก็เรื่องเหมือนกันครับปีนี้ไม่มีหนังสือใช่มครัก็เราไม่ได้ทำบานทีขันแล้วแต่หนังสือลูกค้าเดาจะจ่ายทำมันหรืเปล่าหนังสือมันก็มีมีมีอยู่มากแล้วเราไม่ได้ทํำจริงๆเล่มเล่มเล็กที่ได้มาท่านรู้กับขันห้าสิเล่มเล็กๆกันนะคะก็ก็ดีนะคะกระฉําดีอืมเพราะนั้นได้มาสองสาเล่ม ก็เดี๋ยววันดีอาจจะได้ขอพิมพ์แจกบ้างค่ะได้จนอาจารย์ธิยาสายตามสบายไ ม, ไม่ไม่สีวนดิดก็สืค่ะก็<ม>ลงพิมพ์เดิมอะค่ะมาที่ที่พิมพ์เป็นอืมดีโอเคค่ะวันนี้ภีแขงแรงนะอาพแข็งแรงกำลังวังชาไปเที่ยวต่อได้นะ กำเตรียมตัวกำลังเตรียมเตรียมกายอยู่ใช่ใส่พร้อมแล้วเตรียมกายเออถึงเวลาก็เช่วงกับเป๋าขึ้นเครื่องไปได้เลยแบบไหนไม่รู้นะเคงบินหรือเครื่องไฟเคื่องใด้คองหนึ่งค่ะได้พร้อมเสมอค่ะได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้นค่ะโอเคสาธุค่ะคุณศาสตราการใช่นะ อาฟังธรรมค่ะอาจารย์ปฏิบัติอยู่ค่ะอ่ย่าทิ้งนะไม่ไม่ทิ้งค่ะอ า, า, าจารย์นะค่ะคจนถึงตอนี้ค่ะอาจารย์ค่ ะ, ะยินดีอันนี้อยู่บ้านใหม่แล้วเหรอสวัสดีคะ่ะท่านอาจารย์ยังคะ่ะท่านอาจารย์ยังอยู่ที่โรงแรมอยู่ค่ะวันที่หนึ่งเข้าค่ะเดี๋ยวพิจยายออื ก็ต้องต้องไปหาบ้านเองไม่ว่าเขาจะเป็นสายข้าหา<บ>เลยเดวิดพอดีช่วงที่อยู่ที่นู่นนะคะเเขาติดต่อมาก็เดวิดก็ลองดูหาด้วยตัวเองด้วยะคะ่ะแล้วก็บริษัทเขาก็ช่วยก็ได้ลนะงก็เรียบร้อยเป็นนัได้แล้วเดี๋ยวบ่ายว <c oughs> มันหายากมากเลยค่ะถ้าอาจารย์อพาร์ตเมนต์ที่มันมีเอ่อลงมันไม่มีโรงเก็บรถอะค่ะถ้าอาจารย์แล้วที่นี่มันหนาวเยอะมากแล้วแบบหิมะมันมันหนามากเลยค่ะถ้าอาจารย์เพิ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตเนี่ยค่ะที่หนูเห็นว่ามันติดลบเยอะแล้วก็หิมะตกเพราะปกติอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยหนูเจอเฉพาะหิมะมันตกเฉพาะช่วงศูนย์องศาถึงลบสองแต่ที่เนี่ยแป๊บเดียวค่ะถ้าอาจารย์แค่สองชั่วโมงห้าเซนเอ่อหิมะมันตกอื หนูก็เลยก็เลยได้เนี่ยค่ะวันเนี้ยค่ะจะเข้าไปดูค่ะเพราะว่าบริษัททางเขาติดต่อมาว่าคนเขาย้ายออกแล้วเขาขอสิบห้าวันในการบูรณะบ้านให้แล้วก็เสร็จก็ประมาณวันที่หนึ่งมีนาะต้นเดือนเนี่ยค่ะท่านอาจารย์เดี๋ยวบ่ายเนี้ปเป็นบ้านเดียวนะค่ะนะเป็นเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นบ้าน เป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็แบบมันติดกันนะคะสามหลังบล็อกหนึ่งสามค่ะติดกันมีที่จอดรถให้ค่ะท่านอะไรนะคะถ้าอาจารย์อยู่ใต้ถุนนู่นเนี่ยนู่อเยอะอ๋อไม่ค่ะมันเป็นมันเป็นบ้านชั้นเดียวเลยค่ะท่านอาจารย์ไม่มีบ้านชั้นเดียวค่ะท่านอาจารย์สองห้องนอนค่ะ ที่จอดรถให้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวหนูกลับไปกราบท่านอาจารย์ค่ะโอเคค่ะอาจารย์แล้วก็ไม่มก็เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ ก, ก็เช้ า, า, า, า, ชานี้เขาก็บอกว่าท่านอาจารย์มามอนท่องเต้ให้อาจารย์ด้วยนะขอบคุณนะแล้วก็ฝากแม็กซี่โบอจารย์ขอพคุณแมกซ่าอาจารย์ขอคุณท่านอาจารย์อย่างเค่ะนอาจารย์คุณน้ำตอคุณน้ำอยู่ที่ไหน สวัสดีค่ะพอาจารย์อยู่ชลบุรีค่ะเพิ่งกลมาครั้งแรกเลยใช่ค่ะมีอะไรไหมอ่อยากจะสอบถามพระอาจารย์หนูนั่งสมาธิมาหลายปีแล้วไปหลายวัดแล้วอะค่ะแต่มันก็ยังไม่ไปไหนเลยอึดอักทุกครั้งแล้วก็โทรสาเยอะมากเลยวัตจะสติเราวน้อย เราต้องฝึกสติมากๆก่อ น, อนที่จะมานั่งต้องทําทั้งวันถ้าเราทําได้ตั้งแต่เมื่อตานขึ้นมาก็ท่องพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจอย่าปล่อยให้ใจคิดด้ว่อยเปืยกอบกุมบังคำให้มันอยู่พุโทโธพุธโทโธไปแล้ว่าเราจะทําอะไรอามน้ำล้างหน้าแปรงฟันัแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารเวลาที่เราไม่ต้องคุยกับใครไม่ต้องคิดอะไรนี่ก็พุโทโธพุธโทโธไปภายในใจ นราทำอย่างนี้แล้วเวลามันั่งสมาธิมันจะนั่งนั่งได้นิ่งขึ้นค่ะตอน <N> นี้ใจเรามันลอยเรานั่งเรากินเรื่องนูนคิดตรงนี้เพราะเราไม่ควบคุมความคิดก่อนที่เรามานั่งเลยครับเวลาเราเหยียบรถเราเราจะแบรกรถเนี่ย เ, เ, เ, เราต้องจะแบกรถเราจะจ่ายข้างหน้าเนี่ยเราต้องเริ่มเหยียบเบรกตั้งแต่ตรงนี้แล้วเพราะมันจะใช้เวลากว่าจะ อาจะหยุดได้มันก็ต้องใช้เวลาให้มันมีระยะวิ่งอย่างนี้เสร็จแล้วก็เหมือนกันเราจะนั่งสมาธิก่อนนี้มานั่งนี่เราก็ต้องเต็มหยุดความคิดไว้ก่อนไปเบรคความคิดไว้ก่อนะจะไปไหนก็อยู่กับพุโทโธได้คอยู่กับพุโทโธพุทโธไปหรืออยู่กับงานที่เรากำลังทําทําอะไรก็เฝ้าอยู่อย่าให้ใจไปที่อื่นได้อย่าไปคิดเรื่องอื่นแล้วมามานั่งสมาธิก็ ต้อใช้พุทโธหรือใช้งานดูลมนะอย่างใดอย่างหนึ่งอย่านั่งเฉยๆถ้นั่งเฉยๆก็ไม่มีวันที่จะสงบได้ธรรมดา น, <ช>นั่งธรรมดานั่งใช้อะไรหรือเปล่าอยานั่งเฉยๆไปปกตินั่งใช้ดูท้องท้องยุบอะค่ะมันก็ได้ต้องมีอะไรให้ดูนะอย่านั่งเฉย ๆ, ๆอย่นั่งแบบใจลอยค่ะได้ค่ะหนึจะต้องปฏิบัติของ อถ้าเราสร้างสติได้มากเราประกันได้นั่งนั่งมันจะสงบได้มากขึ้นได้เลยค่ะเพราะตอนนี้มันไม่มีความสุขเลยใช้ชีวิตก็ไมมีความสุขลเลยค่ะนั่งก็ไม่มีความสุขตอนนี้เาา พ, เ พ, พิ่งวี้เช้าตื่นขึ้นมาแล้วพุทโธก่อนในยก่อนนี้จคิดทําอะไรพุทโธพุทโธไปสิเราจะมีพุโทโธไปได้สักกี่มีนาที ได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจะลองทำตอน ต, ตั้งเป้าไว้ก่อนพรตรงนี้ตืน่ตนขึ้นมาปั๊บจะเริ่มพูดโทนเลยจะเรื่มฝึกสติเลยได้ค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์มาะยังอาทิตย์หน้ามานายงานได้เปล่าได้เลยค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะอ่าอ่าใบติ้กุเอยเชียงรายการมาธการพระอาจารย์ครับ อ่าเป็นยังไงบ้างครับผม <c oughs> <c oughs> ก็ปฏิบัติทุกวันครับพระอาจารย์ครับก็ไม่เท่าเดิมเอ่อก็มันสงบมากขึ้นครับอาจารย์ครับแม้จะระยะเวลาไม่ไม่นานก็มันก็รู้สึกว่ามันสงบครับอาจารย์ครั บ, รบแล้วเตจสันติตบาลังสุดครั้งไหมครังก็ได้เจออยู่ครับพระอาจารย์ครับในช่วงตอนเชา้าครับอาจารย์ครับว่าสุกสุกเงนที่แล้วก็ข้ามสงบไม่มีนะ ครับถ้าถ้าเกิดลมมันหายไปูมันก็นิ่งไม่มีอะไรตรงนั้นนะครับอาจารย์ครับมันก็สุกอยู่ข้างในอยู่ครับแต่ก็ยังที่ถึงกับเออออกมาข้างนอกเงี้ยครับอาจารย์ครับมันก็สุกอยู่ในในสมาธิอยู่ครับอาจารย์ครับแต่ว่าเอฝึกสติก็ฝึกกันทั้งวันนะครับถ้าวันไหนลืมไปก็ก็เข้ายากนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับง่ายมันมันจะฟ้องเราว่าวันนี้ไม่ฝึกสตินั่งอะไรก็ไม่สมอง ครับก็ก็ไม่ค่อยทุกข์อะไรมากครับอาจารย์ครับก็วันนี้ก็เข้ามารับฟังเขาไม่มีคําถามอะไรแต่แต่ก็มันยังไม่วุบเหมือนกับเมื่อก่อนที่เคยเคยเรียนกับอาจารย์ไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับแต่ก็ก็ได้เคียนอยู่ครับมันก็เบาครลงมีอะสติทั้งวูบแบบมีสตินะไม่ใช่วูบแบบไม่มีสติครับครับผมวุ่มีสติครับขโมยมีสตินี่ก็ คลุมหลับคลุมหลับอะก็ไม่ได้มันมีสองโวมนะต่้องต้องต้องมีวันเดวเลยนะจริงมันก็มันใกล้เคียงกันมากเหมือนกันนะครับถ้าวันไหนที่มันเทียงเงี้ยครับคืถ yes ้าเมื่สติไม่พอมันก็หลับได้เป็นเป็นเป็นบางวันวันไหนที่เหนื่อยก็ช่วงช่วงตอนจะเป็นช่วงก่อนนอนนะครับแต่ช่วงตอนเช้านี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าตื่นมาก็ล้างหน้าแปรงปันอะไรก็มาทำนะครับ เนี่ก็มันมันมีความรู้สึกแบบว่าตอนก่อนก่อนที่ผมจะนั่งส ม, มาธิโหดไหว้พระสวดมนต์ก่อนนะครับ <ừ> um. แต่มันมีจิตที่ว่าเฮ้ยมันดูว่าเฮ้ยร่างกายมันพูดมันเหมือนก네ับมันเห็นร่างกายลางๆแต่ก็ไม่ชัดเจนนะครับอาจารย์ครับแต่ก็ไม่ได้ไปใส่ใจอะไรมันแต ก, ก็ก็รู้รู้ไปแค่นั้นนะครับพระอาจารย์ครับอืคครับผมโอเคนะครับผมกบขอบคุณพระอาจารย์ครับผมสาธุสาธุครับอคุณสุภจาร์ อันนี้ไม่ได้อยู brasile, é, ่เท็กซัสบ้างอยู่ปทุมธานีเลยกรรมลัมพสกามท่านเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกเกี่ยวลำลูกกาเจ้าค่ะลําลูกกาของสองจังหวัดปทุมธานีใช่เจ้าค่ะจังหวัดปทุมธานีก็ก็ไม่ A, ไกลจากก็เจ้าค่ะเจ้าค่ะอยู่ติดจริงๆก็อยู่ติดกับกรุงเทพนี่แหละเจ้าค่ะเจ้าค่ะอยู่ใกล้มอเตอรมารสานหรือเปล่าไ อ๋อไม่เจ้าค่ะอยู่คลองสองออตรงไปทางนครนายกนครนายกอ๋อค่ะมีมีสถาบันการศึกษา อ, อ๋อมีมีเจ้าค่ะคือของลูกเนี่ยคือมันเป็นซอยที่มันสามารถทะลุไปทางพันยะแล้วก็ลำลูกกาเจ้าค่ะเดี่ยวตรงกลางเจ้าค่ะก็มีมหาวิทยลาลัยก็อยู่ไม่ห่างอยู่ไม่ไกลจากธรรมศาสตร์เจ้าค่ะอืม ธรรมศาสตร์จะออกไปทางนวนครไปทางอายุทยาตรงนู้นส่วนของลูกบ้านจะออกไปทางนครนายกหน่อยเจ้าคะ่ะก็ไม่ไกลเจ้าค่ะแต่ว่าลูกก็สมัครไว้สามสามที่เจ้าคะ่ะก็ก็ทั้งสามที่ก็รอต่อไว้เจ้าคะ่หาคะหวังว่าผงจะได้ที่ได้ที่หนึ่งนะสาเุทุา <laughs> สาวเจ้าค่ะอยู่อยู่อเมริกามานานก็ก็ไม่เป็นไรเจ้าค่ะก็ก็อดทนนิดนึงเจ้าค่ะเ <ใน S 2> พิ่งกลับไทยมาเราก็ต้องเข้าใจก็เข้าใจระบบของที่นี่เจ้าค่ะ<ใ>นายด้านก็ไม่เท่าอยู่ที่อเมริกาด้วยนะอไม่เจ้าค่ะก็เข้ได้ไม่เป็นไรเจ้าค่ะขอได้อยู่แต่พ่อแม่ก็พ่อคุณแม่ก็แปดสิบห้าก็ ก็สัญญากับท่านไว้ว่าจะจะจะจะทำงานสิบปีหลังจากสิบปีก็ถ้าอยู่ถึงนะเจ้าคะถ้ารู้ไม่เป็นอะไรก่อนก็ก็ขอขอความสงบอย่ามายุ่งหลังจากสิบปีเจ้าคะเราจะทำให้เขาตอนนี้ก่อนเจ้าคะอมดีกวามจริ์อยู่กับแต่เที่สำคัญนะ เจ้าค <aspberry. named S 2> <S camera lawsuits> ่ะก็ถึงเวลาเจ้าค่ะถึงเวลาที่ลูกก็จะได้ทําหน้าที่ได้เต็มที่เจ้าค่ะเจ้าค่ะกับบอปเปอร์คุณเจ้าค่ะไม่มีคําถามอะไรนะเลยนี้ไม่มีเจ้าค่ะไม่มีเจ้าค่ะขอปอนค่ะคุณแดนสุปดาอยู่ดอนท่านีอักการนักวิชาการนะคะตาลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเคไปดีคุณทัพเชิญคุณทับด้าน เห็นหรือล่าครับผมน้องกาบอยู่ที่ไหนครับอาจารย์ครับครับผมอาจารย์อยู่ที่ไหนครับอ่อปัจจุบันนี้อยู่นนทบุรีครับมีอะไรไหมไม่มีครับไม่มีก็ฟังต่อไปนะอ่ครับที่อออตอรอนิสาอางนะครับไม่ฝนตกก็ กับนวัต ก, การมค่ะพระอาจารย์ค่าฝนตกค่ะพระอาจารย์ก็ปัญหาโครนออกมาค่ะพระอาจารย์อื mm hmm. ก็เวลาเวลาอยากได้ฝนก็ไม่มีอะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. พอตอนนี้ไม่อยากได้ก็มาค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ตรงตรงที่ไฟไหม้ก็คงมีปัญหาค่ะพระอาจารย์ mm hmm. คือตรงนั้นปกติมันก็มีมัสลายโครนอะไรพวก หินลงมาประจําอยู่แล้วค่ะพระอาจารย์ถ้าไม่มีต้นไม้ยิงไปใหญ่เลยนะยิ่งไปกันใหญ่คะ่ะพระอาจารย์อมันเรื่องของธรรมชาติแล้วก็ห้ามเขาไม่ได้ค่ะพระอาจารย์อยู่กันไปก็สักแต่ว่ารู้ไปแต่ก็ดีค่ะพระอาจารย์ฝนตกบ้างเพราะว่ามันไม่มีฝนมาเลย ค, ะค่ะพระอาจารย์เหมันจะได้ช่วยรถไฟป่าค่ะค่ะพระอาจารย์น้ําจะได้แบบว่ามีใช้อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ ก็สําหรับค่ะสําหรับลูกก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ตามปกติค่ะอาจารย์นี่มีได้นั่กสี่ย่อมลองได้ได้นั่งมองบ้าได้ค่ะอาทิตย์ที่แล้วได้ไปสองวันค่ะะอาจารย์ก็ดีค่ะเหมือนกับสติมันไม่ค่อยสติมันไม่ค่อยดีค่ะค่ะผ้าจารย์ถ้ามาบังทับให้มันนั่งอยู่มันก็เหมือนกับเออจะได้ไม่ไปวอกแวกเรื่องบนเรื่องนี้ค่ะผ้าจารย์ วิธีเรียกสติไหมวิธีสร้างสติขึ้นมค่ะพระอาจารย์ก็อยากจะได้ซักมากกว่านั้นแต่ก็คงลําบากนิดนึงค่ะพระอาจารย์อันนี้ที่บางงานเสร็จแล้วไหมงา น, นเสร็จแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ตอนนี้ก็รอจะลิสต์เอาลิสต์ขึ้นอ่าลิสต์เข้าตลาดค่ะพระอาจารย์ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับแฟนลูกค่ะเขาจะจะได้ช่วงค่ะจะรอดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ อลูกก็ตามเขาไปค่ะไม่อยากจะมีปัญหาคยังไงก็ได้สนดอยินดีตามีตามเกิดค่ะพระอาจารย์ถ้าแบบถ้าไปแบบเราอะอยากอยากอยากจะแบบขาย เ, ย <ừ. S 2> เร็วๆอย่างเงี้ยค่ะแต่เขายังไม่เขาอยากจะรอดอกเบี้ย อ, อะไรของเขาาเนี้ยค่ะพระอาจารย์ถ้าเราไปแบบเดี๋ยวไม่อยากไม่อยากจะมีปัญหาค่ะพระอาจารย์ผัดใจกันดีผัด ใ, ใจกนะันค่ะยอมหยุดเย็นดีกว่า แต่ลูกก็บอกเขาว่าขอปีนี้แล้วกันคือแบบมันต้องจริงๆแพลนตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่ายังได้ก็ไม่ควรจะไปไกลไปกว่านี้อย่างนี้คจอดีใช่ธรรมะใช่ธรรมะเนการอยู่ร่วมกันประสานประสานส่วนเหมือนชั่วนส่วนต่างอค่ะอาจารสำหรับลูกก็ปฏิบัติเหมือนเดิมครับ พระอาจารย์ก็อาจจะมีเวทนาบ้างนะคะพระอาจารย์ก็ต้องอยู่ประมันนะคะพระอาจารย์ก็เป็นเหมือนกับตามวัยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ต่อไปมันจะเจ็บมากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะก็เหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรอย่าเอ่อ c k n e s s เอจจิ่งย่างนี้ฝค่ะพระอาจารย์ทำของชีวิตค่ะสัจธรรมเริ่มรู้แล้วว่าแบบเออแก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาค่ะพระอาจารย์ มันก็ไล่ามาเรื่อยๆค่ะอ่าวเดี๋ยวแบบระบบการย่อยไม่ดีกดไหลย้อนเดี๋ยวก็เป็นอ้าวฟันมาละที่ทาที่ทำแบบครอบฟันไว้สงสัยหมอบอกว่าต้องเป็ น, นอิม l พลน์อะไรเงี้ยอ้าอิม <laughs> พลน์ะอาจารย์อิมพลน์นี่มาทำที่เมืองแทนดีกว่าถ้ากใช่ก็คิดกระ บ, บอกคุยกับหมอว่าเออเดี๋ยว อดทนไว้หน่อยได้ไหมคะฟ้าอันนี้หมอบอกว่าได้ได้มาทําเมืองไทยถูกกว่าเยอะค่ะพระอาจารย์ที่นี่แพงมากค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะสาธุค่ะสู้ต่อไปสู้ไปขัดใช่ไหมสู้ด้วยสติสู้สู้ด้ปัญญานะค่ะพระอาจารย์กลับสาธุค่ะอคุณหมอภาสนาการค่ะกลับมาแล้วค่ะพระอาจารย์ กล <Yeah. S 2> ับมาจากอุดรนะท่ำเต่า <Yeah. S 2> ก็คราวนี้ก็ได้ในสัญชิกพี่หนุ่มก็ในสัญชิกคั้งแรกนะคร <Yeah. S 2> าวนี้ก็ไปก็เอาชุดไปสามชุดเหมือนเดิมนะ oh. อาจารย์แล้วก็ตักทุกวันอ่าแดดดี mm. มีอย่างนึงอะค่ะพระอาจารย์คือพอไปวันที่พระจันารย์งายอะ่ะตอนเช้าอกลางคืนเนี่ยไม่เหมือนเปิดสว่างมองเห็นหมดเลย mm. พราอาจารย์คือไปที่เนี่ยแต่ละครั้งอะ่ะมันจะได้อยู่ที่ไม่เหมือนกันนะแต่คราวเนี้ย เป็นบ้านเป็นกุฏิที่แบบว่าอยู่แล้วมีแบบต้นไม้มันไม่สูงมากมั้งพะอาจารย์แล้วมันมันเลือนหงายก็เลยแบบอูฟูแบบคือเริ่มก็เลยเข้าใจที่แบบว่าเวลาพรท่านไปออกไปช่วยเราในป่าแล้วต้องปัดกกวาดลานวันแล้วก็แบบต้นมันคือมันสว่างมากเลยค่ะอาจารย์รู้สึกดีมากเลยค่ะแล้วก็ไม่งว่วงพอในสันชิกเสร็จเดินอะไรเงี้ยก็ไปทําครัวต่อได้ รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวก็ตั้งใจทํามากขึ้นเลยเลยนะคะอาจารย์พี่หนุ่มก็ชอบมากอ๋อคราวนี้เยอะนะคะคือแม่ชีเนี่ยมีเป็นประมาณสิบกว่าท่านแต่ว่าคราวนี้แม่ชีอยู่ประมาณสักห้าหกท่านแต่ว่ามีคนมาพักมีคนมาพักมีคนมาที่แบบมาครั้งแรกมีคนหนึ่งบทชีแล้วก็แล้วก็มาพักค่ะก็มีมีเยอะเหมือนกันแต่ว่าในสัญชิกได้ชาวบ้านมาก็ประมาณห้าสิบคนเลยนะคะอาจารย์เดินรอบันวันมากค่ะ ประมาณห้สิบคนในทุกหลวงปู่าอาจารย์เยอะโอ้หลวงปู่ท่านเมตตามากเลยนะพระอาจารย์คือแบบว่าจริงจรแล้วท่านก็ยังมีปัญหาเจ็บหลังอะ่ะตอนแรกท่านบอกว่าท่านจะอยู่ประมาณสักเที่ยงคือแล้วให้เราทําต่อเองแต่ว่าปรากฏท่านบอกนาสวดแล้วก็เทศแล้วก็ให้แล้วก็นํานั่งไปด้วยถึงตีสี่คึ่ง <laughs> คือแบบโอ้โหแบบทุกคนแบบมีแรงหมดเลยพระอาจารย์ท่านนั่งไปด้วย ต่นั่งแต่นั่งจะจะได้นั่งลวดนะคะคือเคยเครั้งแรกเนี่ยที่นั่งอย่างเงี้ยปกติกจะนั่งลวดเองนั่งเองอันนี้แบบรู้สึกเออพี่หนุ่มก็เลยชชคดีเลยได้นั่งใดนั่งครั้งแรกค่ะก็เดี๋ยวพรุ่ง น, งนี้พรุ่งนี้บันพระเดี๋ยวไปรู้สึกว่ามีแรงเล้วค่ะอาจารย์เข้าใจที่พอาจารย์บอกและว่าแบบพี่หนุ่มยังบอกพี่หนุ่มบอกเองนะว่าเออเฮ้ยพอมันกำลังจะดีเอากลับบ้านแล้วเริ่มแบบ เรื่องแบบเออเขาใจที่พระอาจารย์บอกจริงๆแต่ก็กลับมาบ้านก็ทําต่อมาอาจารย์ไม่ต้องกลัวอำต่อไปต้องอยู่แบบยา ว, ย, วยาวค่ะอยู่ได้ใช<ม>่พระอาจารย์เพราะว่าเนี่ยสักเสื้อสามตัวก็อยู่ได้กินมื้อเดียวอยู่แล้คือมันทํามามันมันคงเป็นที่พระอาจารย์สั่งสอนมาตลอดนะมันก็ค่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆเรือนิดเรือ น, นิดเออพอมองออกมาโอู้หคือแบบแต่งหน้าเอยกินข้าวปกติเป็คนชอบกิน พอทาอะไรน่าหารเละเลยอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นแบบกินได้มือเดียวตั้งแต่ตั้งแต่อยู่กับพระอาจารย์ก็กินมือเดียวมาตลอดมาเลยอยู่วัดง่ายอ่ะอาจารย์อยู่ที่ไหนก็ได้รู้สึกดีไปหมดเลยค่ะอาจารย์นังปฏิบัติทางน้องสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้กินอะไรก็ได้คอรู้สึกดีมากยกินง่ายแล้วก็อีกอั่นึงด้วยนะคะก็คือได้ได้ โชคีมาเลยพระอาจารย์ท่านทําเจดีอะไรเนี่ยคะ่ะของพระองค์ตามมหาบัวเจดีย์ทุตุลกวาดก็เลยไ ด, ได้ได้ได้แบบว่าทำทำเจดีย์กท่านด้วยแล้วก็มาบอกบุญกคุณพ่อคุณพ่อก็ได้ทําเจดีด้วยคือรู้สึกว่าช่วงนี้อยากให้คุณพ่อทําบุญเนี่ยก็คแค่บอกนะถ้าท่านทำไม่ทําไม่เป็นไรเพราะเราทําอยู่แล้วแล้วท่านก็ทําด้วยก็เลยรู้สึกเออดีจังเลยอะได้คุณพ่อกระทาน้องอกระทำก็ได้ทําบุญไปด้วยกันค่ะอ่าเด็กอ่าเถอะคะอ่าคนเปดชายพรคุณหญิงหมาย3 ส, สายสองสายสองเจ้าค่ะกับอนุโมทการค่ะหลวงพ่อสายเดียวกับชนทางทำ่าทำหรืสายสามเจ้าค่ะแต่โยมอยู่สายสองเจ้าค่ะใกล้ใกล้กันไหใกล้กันค่ะไปแป๊บเดียวเองค่ะอค่ะหลวงพ่อคะเออมันจะมีอยู่โยมอยากถามหลวงพ่อว่าถ้าเราจะพิจารณาสุภาหลังจากที่เราทําเข้าสมาธิแล้วว่ะค่ะเราจะเริ่มพิจารณายัางไงอะค่ะเราเราจะเริ่มทําเลยไหมหรือว่า หรือว่ารศึกษาเนี่ยศึกษาร่างกายมุ่งมั่นก็อ่านชื่อมันก่อนก็ได้กว่าร่างกายมีอะไรบ้างมีผมผนเล็บฟันหลังเหไรมันนักศึกษาแพทย์อย่างเงี้ยค่ะหลังจากเราเราถอนจากสมาธิแล้วเราก็เราก็ใช้ใช้นึกใช่ไหมคะเวลาทำก็แบบที่เด็กเราท่องชื่อท่องชื่อไปก่อนกะไดผมขนเล็บฟันแล้วก็นึกถึงภาพของมันถ้าไม่เห็นภาพก็ไปเปิดหนังสือนานตอนนี้ดู ค่ะโอเคค่ะรู้เพราเพราะว่าปกติโยมก็แค่สมาธิละอาณาแล้วก็เงียบสงบนิ่งรวมก็เลยสงสัยว่าอย่างฟังเทศหลวงตาค่ะที่ที่จะมีคนถามปัญหาหลวงตาว่าระหว่างที่เขาทําสมาธิแล้วเขาพิจารณาอาสุภะเห็นตัวเองเน่าเปื่อยจนแบบว่าแตกสลายอะไรเงี้ยค่ะโยมก็เองแล้วอย่างนี้เราจะต้องพิจารณาตอนหไหนี่เจ้าค่ะออกจากความสงบก่อนเวลาทำสมาธินี้เาอย่าไปพิจารณาต้องการให้จิต พักให้นานที่สุดก็ออกจากสมาธิมาแล้วก็เริ่มพิจารณาต่ออ๋อใช่ค่ะอย่างนั้นงั้นขั้นต่อไปโยมต้องเริ่มพิจารณาอสุภะใช่ไหมคะก็แล้วแต่เราถ้าเราอยากจะศึกษาดูว่าร่างกายนี้สวยงามหรือไม่สวยงามเราก็ต้องดูอสุภะค่ะก็ยังยังไม่เคยพิจารณาอสุภะเลยเจ้าค่ะ อ ส, สากศพสิบชนิดลองไปเปิดหนังสือดูก็มีอธิบายศพที่เพิ่งศพตายใหม่ศพที่ผุศพที่เริ่ม เ, เริ่มเริ่มพองขึ้นมาเริ่มมีน้ำเลือดน้ํำร้องน้ำํำอะไรไหลออกมามีแมลงมีมดอะไรมาชายมากัดมากินในไรเราไปสร้างศพสิบชนิดไปเปิดดูอ่านดู No เราก็ต้องจําภาพประนั้นเข้ามาอยู่ในน yeah. ึงภาพไว้ในเรวลาเราคิดถึงเงนนันนึกถึงภาพเงินใช่ปะที่ถึงที่ถึงอยซื้อบ้าสร้างบ้านใหม่เนี่ยมันก็นึกถึงภาพขึ้นมาใช่อหมใช่ค่ะว่าต้องซื้ออะไรบ้างโอ้ค่ะงั้นโยมต้องไปเปิดหนังสือของอาจารย์ใช่ไปเปิดหนังสือของหลวงตาดูก็ได้ค่ะค่ะมันนั่นก็ดูหนังสือก่อนแล้วพยายามเอาภาพที่อยู่ในหนังสือเข้ามาอยู่ในใจเราไง ค่ะ <C a> บ <ไป S 2> างปีันจะได้ไม่ต้องเปิดหนังสื อ, น, อนึกอยากจะนึกถึงอสุภาพมันก็โผล่ข้มานในใจเราตายจ้ะ <C a> ค่ะเหมือนสูตรครูนนะค่ะง <C a> ั้นดมจะต้องลองพิจารณาอสุภะบา้า <C a> <C a> งค่ะแล้วพราะแล้วอีกอันนึงคือในระหว่างที่เโยมนั่งรถไปกับแฟนใช่ไหมคะแล้วเหมือนกับว่ามีลูกน้องเขาโทรโทรเข้ามาหาแฟนหนีแล้วแล้วเหมือนกับว่าเราอ่ะไม่ไม่ชอบในคาพูดของเขาการเสียงของเขาเหมือนกับว่าเขาชอบ ชอบว่าลูกน้องอีกคนหนึ่งแต่เขาก็ยกยอตัวเองอะ่พะพ่อจย์ว่าอ่าลูกน้องคนนี้ไม่ดีอย่างงู้นเขาต้องช่วยอย่างงู้นในระหว่างที่นั่งรถไปด้วยกันนะคะหลวงพ่อโยมมีความรู้สึกว่าโยมแบบอยากจะเอามืออุดขูเพราะโยมมีความรู้สึกว่าโยมโยมไม่ไ ม, ไม่ไม่ชอบที่ให้เขามาม า, มาเน้นทารุกน้องอีกคนนึงแล้วก็ยกยอตัวเองในในโทรศัพท์ที่เขาคุยกับแฟนนะคะพะ่อจันโยมโอ้โหแบบใจมันแบบ คือมันโมโหแบบคือมันอยากจะอุดหูมันไม่อยากจะได้ยินเสียงนั้นเลยรู้สึกว่าคนนี้แย่จังทําไมแบบยกยอตัวเองขนาดนี้แต่ในในขณะที่เรากําลังวนวกระบวนก็วายแล้วก็อยากจะมุดปิดหูว่าพระอาจารย์ก็ยมก็นึกถึงคําสอนพระอาจารย์บอกว่าอ่าเนี่ยทุกเราทุกกําลัง ท, ทุกอยู่ ทุกเพราะว่าเราไม่อยากที่จะได้ยินเสียงเสียงที่เขาพูดดินทาค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยไปไปดูที่ต้นเหตุแห่แงแทุกว่าอ่าเราลาคาญเสียงเขาเพราะฉะนั้นอะ่ะก็ให้มองเสียงนั้นอะ่ะเป็นปกติไปว่ามันก็คือเสียงเสียงหนึ่งก็เราไม่สามารถจะไปบอกเขาว่าหยุดได้หรืออะไรได้แล้วก็ปล่อยไปโยมก็เลยพุทโธพุทโธไปในใจคือท่องบทสวดมนต์ไปสักพักเขเสียงนั้นเขาก็คุยกับแฟนจน จบไปเลยพระอาจารย์เราก็ฟังเขาได้เป็นปกติแล้วยมหลังจากเขาวางสายแล้วยมก็นิ่งเงียบเงียบจนถึงที่พักก็แยกย้ายกันลงแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะพระอาจารย์เดี๋ยวผมต้องบอกว่าแบบพอหลังจากเขาวางสายโยมก็อบอกหกคนนี้นี่แย่มากแบบนินทาลูกน้องอีกคนนึงแล้วยกยอตัวเองว่าเนี่ยเป็นคนบอกดีอย่างงู้นอย่างนี้แต่ตอนนี้โยมก็คือเฉยพระอาจารย์คือคือเฉยไปจนสุดท้ายจนถึงรถเจาะยมก็ลงได้เป็นปกติทาไมงั้นระหว่างนั้นถ้าเกิดเรา เราคือเรามัว ห, ห, หแล้วเราหงุดหงิดแล้วเราเราขั้นกลางว่ า, าเออหยุดได้แล้วแบบยันนานินทาอเงนี้ยก็คงจะมีปัญหาเกิดแน่เลยพระอาจารย์อย่างนี้ยมพิจารณานี้คือถูกแล้วใช่ไหมคะว่าแอบเราเรากําลังทุบอยู่นะว่าคือพระอาจารย์มันอยากจะเอามืออุดหูลไม่อยากฟังเสียงลูกน้องที่เขากําลังกําลังคุยกับแฟนกําลังนินทาลูกน้องอีกคนหนึ่งให้ให้แฟนเราฟังค่ะอาจารย์ยอมฟังเขาไ้เขาพูดไปก็หยุดหยุด หยุดต่อต้านเขาใจจะเป็นอย่างนี้วะใช่ค<ๆ>่ะชาติเป็นแบบนั้นเลยเจ้าค่ะ<ม>จดก็มองไปถึงทุกวันเนี่ยเพราะความอยากเราไม่อยากได้ยินเสียงเขา ม, มันก็เลยทําให้เราทนไม่ได้เราแบบอยากจะมือปวดหูอยากจะร้องให้เขาหยุด<ม>แต่แฟนเขาก็ใจเย็นนะเขาเขาฟังเขาเนินทาเนินทาอีกคนหนึ่งให้ฟังจนเขาวางสายไปเองเนี่ยค่ะ<ม>แล้วเก็อิงก็อิงก็โอ้ทำไมเขาใจเย็นแต่อยากรู้ว่าใจเขาคิดไม่ว่า พนักงานคนนี้เนียใช้ไม่ได้ค่ะว่าแบบเหมือนเขายกยอตัวเองแบบในขณะที่เป็นนินทาอีกคนหนึ่งอะไรอย่างนี้ยค่ะได้ผลค่ะพระอาจารย์ถูกต้องนะคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยใช่ค่ะสติปัญญาพิจารณาให้เห็นเป็นตายรักไปใช่ค่ะทุกเพราะเราไม่ชอบเสียงนี่อยากให้อยากให้ยอเป็นอีกเสียงหนึ่งอยากให้เป็นอยากให้หยุดพอหยุดไม่ได้ก็เครียดก็ทุกข์ขึ้นมาค่ะอยากจะรู้สูเลยพระอาจารย์แบบแบบหนูรู้สึกแบบไม่ รู้สึกแบบอุ่นหงิดมากค่ะพระาอาจารย์พิจารณาปัญญาว่าห้ามเขาไม่ได้เสียงมันจะมาก็หยุดมันไม่ได้ก็ปล่อยมันปล่อยมันไปใช่ค่ะแล้วมันก็หายไปเองพระอาจารย์มันไม่ลบ ก, กวนใจเราใช่จริงๆเลยค่ะคําสอนพระอาจารย์นี่แบบว่ามันก็โยมโอ้โหนึกถึงคําสอนพระอาจารย์เออจริงเลยเนาะแล้วคือเราเรายอมรับมันอฟังมันไป เดืใจแล้วก็ไปไปพูดโทรไปซึ่งซึ่งเราก็ไม่ไม่มากวนประสาทเราเราพูดโทรไปใช่ค่ะคใช่เจ้าค่ะพระอาจารย์กบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมก็ปฏิบัติอยู่แต่ว่าโยมรู้คําสอนพระอาจารย์เลยค่ะว่าโยมลองทานเยอะๆพระาอาจารย์ทานเยอะๆแล้วโยมฟังเทศพระอาจารย์หลับเลยค่ะหลับทันทีฟังไปได้ครึ่งหนึ่งพระอาจารย์แล้วรู้สึกตัวอีกทิ้งคือพระอาจารย์เทศจบไปแล้วจ้ะ แน่นอนแต่สมัยก่อนทานน้อยนี่สบายมากมพระอาจารย์เนี่ยพอลองลองทานเยอะๆพระอาจารย์แบบจริงไหมโอ้โหหลับสบายพระอาจารย์ไ้หลับไงไม่ได้ทำํำนะแต่ได้หลับ ไ, ไม่ได้ทำมาได้ทำมาครึ่งเดียวค่ะพระอาจารย์ตั้งใจครึ่งเดียวตอนแรกสองพับหนึ่งมันเคลิ้มันเหมือนกับเสียงพระอาจารย์กล่อมโยมเลยจะค่ะโยมก็หลับสบายเลยเชื่อค่ะโยมดูแลจะค่ะคค่ะพระอาจารย์ค่ะได้ได้ยินเสียงพระอาจารย์แล้วมันมีพลังมากเลยค่ะเหมือนโยมได้มากราบคุณพ่อเลยค่ะ ใช้วิธีนี้กับปัญหาทุกอย่างได้หมดนะนอนหยุดย็นอย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยวางเขาใช่ค่ะพระอาจารย์ค่ะขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธค่ะอ่าคุณตั้งคุณคุณนัทเจคุณคุณนัทค่ับนวมบุรีการพระอาจารย์นทค่พระอาจารย์สาธุนวมบุรครับพระอาจารย์ครับมารายงานการปฏิบัติของสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพระอาจารย์คร่ะก็ยังทําได้ทุก ทุกวันอยู่ค่ะยังยังรักษาระดับทำวันณะสามสิบนาทีค่ะพ่าอาจารย์แต่ค่ ะ, ค, ะคือยังคือได้ได้วินัยค่ะตอนนี้คือแต่ว่าอย่างคุณภาพก็ถ้าทาตอนเช้าส่วนมากหนูจะทำตอนเช้าค่ะก็จะดีค่ะแต่พอบางวันตอนเช้าไม่มีเวลาอย่างอย่างเมื่อวานก็มาชดเชยกลางคืนแต่กลางคืนจะรู้เลยค่ะว่าอาจจะได้ดได้สัจจะแต่ว่าจะจะจะฟูงแล้ก็ม่วงด้วยค่ะพอาจารย์ จาไม่งงกับฟุ้งในเรื่องงานเรื่องการยังตกค้าง ใ, ในใจ ค, ค, คือรู้สึกว่าตอนเช้าจะใจค่อน ข, ข้างดีค่ะ<ด>ค่ะอาจะรย์ร่างกายได้พักผ่อนใจก็ได้พก่อนพอตื่นขึ้นมาเรื่องต่างๆก็หายไปค่ะแล้วก็จะปรับอ่านส่วนมากก็จะตื่นมาอ่านธรรมะก่อนแล้วถึงค่อยค่อยไปนั่งอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็ส่วนตาเขาก็เริ่มทํามากเริ่มเริ่มทำแล้วค่ะพระอาจารย์จะที่ไหนเนี่ด้วยกันดนี นะครับอยู่ด้วกันกินขาวด้วยกันนั่งสมาธิกันนั่งด้วยกันไปครับคราวนี้ก็นั่งสมาธิทุกทุกวันครับอาจารย์ตั้งแต่คุธที่แล้วมาแต่ว่าก็จะขยับเวลามากขึ้นไปตามลําดับครับอาจารย์ยังยังได้น้อยอยู่ครับไม่เป็นไรคยับัำทุกวันครับพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะลองจัดสรรเวลาให้ดีครับอาทิตย์หน้าจะชาเลนจ์นิดนึงเพราะว่าตอนเช้าจะเป็นวันที่แบบแอคทิวิตี้จะเยอะอาจจะแบบ แบบไม่ไม่อาจจะไม่ทันตอนเช้าคราวนี้ก็จะได้รู้ว่ายังมีพี่ในอยู่ไหมคะ่ะค่ะอาจารย์อาทิตย์หน้าค่ะทุกคนขึ้นไม่วดขันนะค่ะจะพยายามรักษาสัจจะตัวเองคะ่ะแล้วก็ระหว่างวันก็เลยรู้สึกว่ามันก็มีสัจก็ตื่นมาก็จะทําอย่างที่พระอาจารย์บอกเลยค่ะบางทีตื่นมามันเหมือนหนูหนูจะเป็นคนฝันนะคะอาจจะระหว่างวันอาจจะเป็นคนแบบคิดแล้วก็เลยทําให้กลางคืนมักจะมีความฝันคะ่ะแล้วพอตื่นมามันเหมือนยัง ตื่นมาความคิดมันก็เข้ามาแบบโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดอย่างนี้ค่ะแต่ก็จะรู้ตัวจะรู้ตัวเร็วตั้งแต่ลุกขึ้นมาก็จะอย่างที่อาจารย์บอกค่ะให้พุทโธพุทโธพุทโธไปก่อนอก็ก็ funk, <ๆ>ทําอย่างนั้นค่ะอาจารย์งานก็พยายามใช้พุทโธไปเรื่อยๆค่ะก็<ๆ>ะใช้มากขึ้นค่ะวาทํางานอะไรที่มันแบบเป็นเป็นรูทีนก็ะจะแบบเป็นมีสติอยู่กับพุทโธเนี้ยค่ะอช่ดีมาก เริ่มเข้าเข้าสู่ทางเริ่มเข้าใจหลักของการปฏิบัตินะคะพระอาจารย์จะทําให้มากขึ้นค่ะจะทําให้สม่ําเสมอค่ะความเพียรความเพียรพยายามต้องอย่างนุละนะค่ะคนะถ้าถ้าเกิดขาดไปก็ต้องชดเชยทําเวลาอื่นค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่านี่มันเดี๋ยวมันจะหายไปเลยค่ะ คน้องนาปฏิบัติครับจะมารายงานพระอาจารย์อาทิตหน้าค่ะแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้อาจจะได้ไปถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอาจจะได้ไปตักบาตรค่ะพระอาจารย์พอดิตาเขาก็ไปประชุมที่พัทยาค่ะใช่ค่ะค่ะพระอารย์ค่ะกลับขอบอกคุณพระอาจารย์ค่ะใช่คุณโอตาโอพีเคพีเคนี่มาจากคําว่าผูเก็ตใช่ไหมนี่ไงนักการณ์นวัฒนการพระอาจารย์คจ้าค่ะ ภูเกต็ตก็ได้แล้วก็ชื่อนาวสกุลก็ได้เจ้าค่ะาย า, ารอ่านามสกุลดีแคนะอ่าชื่อพัชรินแล้วก็นาวสกุลขึ้นต้นด้วยคำแสนหนึ่งจะค่ะพาย า, ารเป็นโเะไรเ่ะภูเกต็ตก็ได้เหมือนกันเจ้าค่ะาการอืมค่ะสดีตของกาอดีเจ้าค่ะเ่าาจารย์ูเก็ตทั้งคำแสนหนึ่งค่ะออาขอหนูก็ค่ะใบงานการปฏิบัติจาค่อยการส่งการบ้านเจ้าค่ะ ก่อนที่จะรายงานหนูจะขอให้อาจาย์เจ้าคะพอดีที่เป็นอาทิตย์เนี้ยหนูต้องอยู่บนเขาชีโอเนี่ยจะขอให้อาจารย์เพราะตั้งใจว่าจะไปปฏิบัติธรรมที่บนเขาแต่เนื่องจากว่ามันมีเหตุให้ต้องมีการเลื่อนออกไปจริงจริงเนี่ยก็ขอใอาจารย์ก็เลยต้องเลื่อนออกไปก่อนก็ค่ะแต่เอาไว้จังหวะที่พอดีแล้วหนูจะขึ้นไปก็ค่ะยังมีความตั้งใจเหมือนเดิมจะขอให้อาจารย์ในวันเปลี่ยนใจค่ะเปลี่ยนกลัวก็จะยังขึ้นไปก็ค่ะเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วก็ะแล้วก็ นีงวันนี้มารายงานผลเรื่องการทานข้าว20คำเจ้าค่ะพระอาจารย์หนึ่งมื้อหนึ่งวัน20คำ5วันแล้วจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้เป็นวันที่5เจ้าค่ะติดต่อกลางวันเจ้าค่ะพอาจารย์มันยากวันแรกจ้าค่ะมันยากวันแรกที่ว่า20คําเนี่ยมันนึกว่ามันจะหิวไว้เลยเจ้าค่ะแล้วก็ปรากฏว่าวันแรกมันหิวเพราะวันที่2ก็ก็ยังหิวมากก็แต่ ความกังวลวันแรกเนี่ยมันจะมากกว่าพอวันที่สองเนี่ยเริ่มเริ่มปรับได้ก็ค่ะอาจารย์จะมาถึงวันนี้ก็ค่ะแต่นีเมื่อวานนี้เป็นจะค่ะอาจารย์พอดีว่าต้องเช้าเนี่ยหนูอาจจะทานเผ็ดไปแล้วมันแสบท้องมากก็เลยไม่ไหวต้องต้องใส่ดักช็อคเข้าไปก็ค่ะอาจารย์แล้วก็วันนี้ก็ยังทัน20คำเหมือนเดิมเจ้าค่ะอาจจะคำเจมช้อยหน่อยก็ค่ะอาจารย์แต่ได้20คำแล้วเพราหนูไม่รู้คำใหญ่กับปกติไหม อาจารย์เต็มช้อนเลยเจ้าค่ะอาจารย์เ็พราะเดี๋ยวเต็มปากเลยก็คุณพูนแต่ไม่ถึงกับเอาไว้นีิ้มจ้าค่ะอาจารย์ก็ยังยังเกี้ยวได้จะขายยังไม่ถึงกับว่ามันจะล้นปากออกแต่ทำได้จ้าค่ะอาจารย์ปรากฏว่ามันอยู่ได้จ้าค่ะอาจารย์มันก็ว่ามันมันตัดเรื่องจิตขนมอยากกินนู่นกินนี่ไปโดยอัตโนมัติเจ้าค่ะอาจารย์เพราะว่า อยากกินกี่อย่างยังไงอยากกินอะไรยังไงคุณก็ได้ <20 S 2> ไมยี่สิบคำเจ้าค่ะอาจาอยากกินคุณก็ต้องใส่วงกาน่วยเจ้าค่ะอาจารย์ยังไงคุณก็ได้ยี่สิบคคุณจะกินอะไรก็อยู่ในนั้นแหละยี่สิบควาอันก็ต้องคุกเหอเจ้าค่ะอา จ, จารย์อัออนไหนครุกได้ก็หนูก็คุกไปเลยเจ้าค่ะก็ผ่านมาวันนี้วันที่ห้าแล้วเจ้าค่ะแล้วดีัไหมถ้าาถ้าถาถ้าถ้ถ้าถ้าถ้าถ้าอ้าถาถ้าถานอาถ้าถ้าถา ดีขึ้นจะค่ะอาจารย์แต่ว่ามันจะเป็นอ่าช่วงจะง่วงนอนหลังจากทานข้าเสร็จใหม่ๆก็ค่ะอาจารย์เพราะบางทีหนูไม่ทันช่วงนั้นต้องเดินเดินยองกองค่ะก็ค่ะเพราะว่าอย่างหนูอาจะไม่ทันตรวจอ่าไม่ทันสวจมลพอดีเพว่นี้แต่ว่าเจริญสติด้วยการสวจมลทั้งเช้าแล้วก็เย็นจะสัมพัน์ทั้งตอนค่าเลยค่ะตอนเช้าแล้วก็ตอนค่ำแต่จะไม่ทันช่วงเช้าหนูจะสรวจตอนสายหลังจากทานข้าเสร็จมันถึงะ มาสวดนี่ใค่ตังตังมันก็จังง่วงหน่อยช่วงนั่งสวดบมบันบีก็ไม่ค่อยมีสติกอะไรนี้เจ้าค่ะก็ดีก็คราอาจารย์ดีแต่ใจหนูมากเลยว่าจากที่หนูหนูเครียดจากเรื่องการกินของหนูมากว่าหนูติดขนมหนูกินข้าวเยอะหนูจะทํายังไงดีปรากฏว่าตอนนี้ความทุกข์ความเครียดจากเรื่องนี้มันมันหายไปโดยอัจฉริยะเจ้าครูอาจารย์เหมือนกับว่าเจอเจอทายเอออยากจะท้าทายก็อาจจะลดลงจากยี่สิบเดือนสิบห้าดูก็ได้ นู้ี้เหร่ขี้เหร่เวลาเพนดูไปก่อนเพืดูไปก่อนอย่าเพิ่มก็แล้วกันไม่ใช่ยี่สิบเป็นนี่พาก็แล้วกันพออาจายงหนุ่ยซ้ำเลยว่าหนูว่าจะขี้เหร่เวลาผูจ้จางบอกว่ามาขอะอาจารย์เถอะวันที่แบบว่าไม่ได้เน้นการปฏิบัติว่าขอผู้จางทั้งนี่ทั้งห้าคำอะไรอยู่นะคะแต่ยี่สิบคำมันก็อิ่มพอดีนะจะ้าผูา้าจาง <c oughs> มัน มันวันพอดีเจ้าค่ะอาจารย์แต่ก็อาจจะมีหิวคือตลางกวันมันก็หิวของมันนะเจ้าค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้าอยู่กับการปฏิบัติมันก็โอเคเจ้าค่ะแต่ถ้าไปไปทํางานเนี่ยมันก็อาจจะมีเอฟเฟกตหน่อยก็ค่ะอาจารย์แล้วก็อาจจะมีมันจะมีร่างกายอาจะมีอาการสั่นๆบ้างกะค่ะอาจารย์อืแต่ตัวนี้หนูรับได้ค่ะไม่เป็นไรก็ค่ะเวลานั่งก็เจ็บม้กยๆหน่อยนึงก็ค่ะเุดทยวยนู้อาจจะขร้อมพ้อมลงมากกว่านี้ไม่เป็นไรหรอกร่างกายพร้อมหายใจอ้วนกันแล้วกัน ใจมันด้วยด้วยสมาธิด้วยความสงาใจมีความสุขใจมีความสุขดีกว่าดีก <ds> ว <c oughs> ่า <c oughs> นใั่งกายมีความสุขพระครูอาจารย์แล้วมันนตัดปัญหาเรื่องความคิดความกังวลว่าจะกินอะไรจะที่จะติดเรื่อดกับข้าวเ่เรื่องอาหารที่มันหายไปโดยอัตราลมพระครูอาจารย์เมื่อเหลือแค่ว่าคุณคุณจะกินยังไงให้ยี่สิบคำ เป็อย่างนี้ตรงนี้เจ้าค่ะอาจารด้ว่าเราได้อบายอุบายที่ถูกเจรกับเรานะจ่าขอว่าคุณท้อยใจมายังสูงเจคะแต่ที่หนูเพียนแล้วหนูเหมือนปวดทุกเรื่องนี้บ่างๆเจ้าค่ะอาจารย์ปวดทุกเรื่องการกินเยอะของหนูเนี่ยหนูกลัวว่าหนูจะเป็นเปรตพหนูกินไม่รู้สักอิ่มจังกอนอิ่มแล้วก็ยังบทีมีแผลมีเจ้าค่ะอาจารย์มีของบนโต๊ะไมยังแบบไปดิบมาเลย แต่ตอนนี้ิดไม่ได้เลยจ้ะคะยังไงก็อยู่ใน20ครองเลยะคะ อ, อยากกินยังไงคุณก็อยู่แค่2คำจ่ะ ก, ก็แล้วกันนะอจันข้อจัไม่มีให้แบบว่า25คำบางวันถ้าเสร็จหน้ากายมันไม่ไหวเลจ้ะค่ะแไมกนเนกล็วันร้ายถึงว่าเจ้าท่านตั้งสัจจะ น, นั่งจากกนกว่าจะตัดสรล่เยครับเจ้าจะบพยายามตั้งสัจจะไว้แล้วเราต้องทดตามไว้จ้ะค่จะพยายามค่ะแต่ว่า เดี๋ยวนี้หนูหนูอาจจะมีวันหนึ่งที่อาจจะลาการทานมื้เดียวแล้วก็คำในวันที่จ้าจรขาให้กรีว่าวานวเกิดแฟงเขาเคยจะให้เขาทานหนึ่งมือจะคะสงสารเขาจะค่ะเพราะวันนี้ที่หนูว่าก็ส่วนใหญ่หนูจะนั่งทานข้าวคนเดียวเจ้าพยาจารยไม่ทานข้าวคนเดีย ว, วเพาก็ได้นั่งทานข้าวกับเขาอลแน้ค่ะแต่ก็มีเป็นบางวันที่แบบแต่เดี๋ยวนี้ก็ นูอย่างวันปฏิบัติเนี่ยหนูก็จะทานเดี๋ยวจะขอาจารย์หกโมงหน่อยหนยหนูก็ทานเลยเ้าค่ะหกโมงเช้าหกโงหนหน่อยอยเลยนะคะ<ม>ก็จ ะ, จะจะทานแล้วละอะไรเงี้ยเจค่ะก็แต่อาจจะขอลาสักปันเดียวจ้ค่ะเดืนนี้แต่จะไม่ให้เลยเถิดเจ้ค่ะจะดีว่าจะขอบพายอาจารย์วั<ม>คือวันวันนี้สบใจหนู่ากรู้สึกว่าดจหนูวัวนนขึ้นเลยเจวาพอแล้วใจมันอ้วนคิดแล้อวอาจารย์ Yeah, okay. ก็เรื่องสติก็เดี๋ยวน่าจะดขึ้นจะขับพระอาจรเพราะว่าพอตัดปัญหาเรื่องความกรงวลเรื่องกินอยงอ น, นี้นะคะหนูก็จะได้ไปไปไปไปเพิ่มเรื่องการเจริญสติอะไรแนี้นะคะพราะตอนนี้ยังล้มลุกพุทาร์หรือจะขับพระอาจรก็ใช้การสวดมนต์มาช่วยจะเพระอาจารย์นะคะแล้วบางีเนีนะคะหนูยังไม่สามารถที่จะอยู่กับอมกรรมได้เนี่ยหนูให้อ่าเสียงเสียงเทเช่วยไปก่อนได้ใช่ไห<า>มคทางเทเสียในการเจริญสติก่อ จค่ะกาไม่มีอะไรจะาไปกัเขาก็คือแยกส่วะค่ะน้อการสธนไปที่กุนองน้องแล้วไงพี่ยังบวชอยู่ป่ะนัสักการจะยังบวชอยู่ค่ะพระอาจารย์อยู่วัดที่โคราชค่ะตอนนี้มีกำหนดกี่เดือนอย่างน้อยหกเดือนก่หกเดือนนะมีก็อยู่พงอยู่โคราสามเดือนแล้วก็จะไปอยู่ อุดออีกสามเดือนตอนนี้เบื้องต้นวางแผนไว้แบบนี้ค่ะวัดป่าดุกเลาอะค่ะที่เวรนวัดสาขาของนาคำน้อยอะค่ะวัดพิสุทธิยานสังเปงนนมก็ก็จะอยู่ในลุกก็ก็อั้นก็จะสงบอีกแบบเพราะว่ามันจะไม่มีสัญญาณอะไรเลยอาตามย์ก็กตอนนี้ก็เลยเหมือนอยู่อยู่โคราชก็มันก็ยังยังยังใกล้ยังน้อย ค่อยๆค่อยๆค่อยก็่อยๆึกไปก่อนว่าอาจารย์ค่ะเพราะว่ามันเหมือนหลายอย่างต้องปรับตัวเพราะฉันมือเดียวฉันมือเดียวแล้วก็ฉันฉันเงินหลงข้อก็ต้องมินบาบด้วยว่าด้วยมินบาบด้วยค่ะวันนีะวัเนี้ยากเหมือนกันนะยากเหมือนกันค่ะแต่ก็ก็เหมือนได้กําลังกายค่ะ เหมือนกับได้ออกกําลังกายสุขภาพก็ดูจะดีขึ้นเพราะว่าติดเครื่องวัดน้ำตาลนะคะเพราะเป็นเบาหวานน้ำตาลก็คงได้ดีขึ้นหลวงพ่อก็หลวงพ่อท่านก็รู้เลยว่าข้อวัดคือเหมือนไม่ให้ฉันอร่อยอ่ะพระเจ้าคือฉันฉันฉนแบบจำกัดคำจริงๆคือฉันแบบไม่ให้ฉันอิ่มมากเพราะเดี๋ยวมันจะปฏิบัติลำบากอะไรอย่างเง <บา S 2> ี้ยค่ะมาเมื่อคนหายว่าหยุดอย่าไปฉันอย่าให้มันอิ่มอิ่มอ่าก็ก็ก็ดีค่ะเห็นแล้วก็ ยังเห็นก็อนุโมทนากับหลวงพี่ยิ่งนะเพราะว่าจริงๆหลายอย่างคือขัดกับโอ้โหทําเป็นคารวะนี่เราไม่มีทางเลยว่าจะเราจะไม่มีทางเลยจริงๆที่จะที่จะทําได้เพราะว่าเรื่องกินเป็นเรื่องค่อนข้างสําคัญมากมา <c oughs> กเลยแบบว่าอะไรนนก็โโหจะฉันได้ไหมเนี่ยอาหารก็จะเป็นอาหารชาวบ้านอะไรเงี้ยแต่ก็ก็ผ่านมาได้จะเดือนนึงแล้วก็ อนุโมทนายิ่งแบบยงมปรับปลื้ม่ะเห็นแล้วก็อืมแตบบ่ตั้งใจมากจริงๆนะมัน ก, ก, ก็เปลี่ยนน่ะกับหลายอย่างคือตอนชีวิตเป็นค า, ารวะเราเห็นว่าแ้ออพี่ก็อยู่แบบนี้มันไม่ง่ายอ่ะกับการที่แบบปรับตัวไปอยู่อย่างนั้นแต่ก็ดูดูดสงบดีค่ะยองก็ขึ้นไปนบ้างส่วนอย่างที่เคยกราบเรียนพระอาจารย์ว่าตอนนี้ของพี่บวชยองก็เลยได้ถือศีลแปคิดเหมือนกันเลยค่ะบอกว่า ก็กินมื้อเดียวให้เป็นเพื่อนกันเพราะแรกๆก็ห่วงว่าเดี๋ยวจะรู้สึกว่าอุ๊ยไม่มีเพื่อนเลยวะก็จะท่านฉันมือเดียวยงก็จะกินมื้อเดียวกันตอนเช้าจบก็จบเหมือนกันดีค่ะพ<ม>ระอาจารย์ดีมากเลยแล้วยมก็อยู่มาได้ก็อยู่มาได้ตลอดเ<ป>นี้ยค่ะเราะว่ากวใช้ผ้าถุาง<ๆ>ไปใช่ค่ะใช่แล้วก็ก็ ถ้าวันไหนไปวัดก็เพราะว่าเช้าก็ก็มีแค่นั้นใช่ไหมจังว่าพิจารณามาเสร็จอาหารก็มีแค่นั้นแล้ววัดก็จะไม่มีอะไรให้เราทานแล้วก็ก็ก็อยู่แบบนั้นแหละก็ก็ไปถึงอยู่ด้วยกันหนึ่งก็ก็เป็นกําลังใจบอกว่าท่านจะได้รู้สึกว่าเออมีกาลังใจยมไม่ได้หนีไปกินข้าวเย็นแบบแทปเปียอะไรเนี้ยเรก็ดีแล้วเราก็ดีแล้วก็รู้สึกดีอย่างวันนี้เอ่อยงก็เลยลองแบบ อดดูวันนี้มาเป็นกันแล้วเออวันนี้เราอดดูเพราะเมื่อวานเป็นวันที่ผิดไปหนหนึ่งเพราะเนื่องจากมีงานจริงๆตอนเย็นพอเราเมื่อวานกินตอนเย็นไปก็เลยบอกว่าเออวันนี้เราจะต้องอดนะเวานเราไปกินตอนเย็นอยู่หนึ่งครั้งวันนี้ก็เลยอดนะอาจารย<ม>์ค่ะอก็ก็ก็อยู่ได้เพราะเราทํามาแล้วมันก็เลยจริ ง, รงๆเรื่องอาหารไม่ค่อยเป็นก็เลยอยู่ได้ดีค่ะอาจารย์ แล้วก็เดี๋ยมันเกาะอย่างนี้นะเกาะชายผ้าเหลืองได้ทําไปด้วยกันโครงการนี้บวชทั้งหมดกี่รูปนะพ่อเป็นเออบวชพร้อมกันไปห้าสิบกห้าสิบแปดรูปค่ะอายุตาสิบห้าวันใช่ไหมไม่ไม่ถึงด้วยว่าฉันปะมาณห้าแปดสิบวันอะไรอย่างเงี้ยสิบวัน้าไปที่ไปที่ประเทศเสียลังกาด้วยเลยใช่ค่ะก็หลับอยู่สีลังกาเลยค่ะพอกลับมาก็ เขกลับมาก็สึกค่ะอืหลวงพี่ก็กลับมาก็ออกมาอยู่โคราชเลยค่ะเหลวงพี่องค์เดียวนั้นที่ไม่ถึงใช่ค่ะดีเก่งมากใค่ะหลวงพ่ออนุโมทนามากแบบมันก็ว่าดีใจอ่ะก็มันก็ว่าเพราะว่าที่หลวงพี่เคยบอกว่าเออถ้าจะบวชอ่ะก็จะไม่บวชสั้นๆคือบวชก็ตั้งใจบวชยาวๆแหละมันมันแล้วอ่ะอาจจะไม่เสร็จเลยได้ได้สัมผัสรถแทงค่ะอนุโมทนานะคะ อยอมยินดีอย่างายินทุกคนเถอะน่าจิตยอมสักครั้งเดียวนี้ไม่เสียเลยรช่ยังแบบยังไม่มีปัญหาทุกคนยังแบบไม่น่นเหลอแบบไม่กลัวไม่กลั ว, ลวท่านไม่เสือบอกอันไม่นาะก็อนุโมทนาเราก็ถือว่าเป็นบารมีของท่านถ้าท่านจะได้แบบพบความสงบในแบบนั้นเก็ก็ดีค่ะอาารนิมก็เลยได้ดน่นแหละค่ะไปวัดบ้างแล้วก็ลงกลับมาเราอาจจะยุ่งมากขึ้นเพราะต้องดูงานมากขึ้นมไม่ม อ่าก็เอาเที่ยกัไปวัดบางทีจะไประหว่างอาทิตย์บ้างเนี่ยคะ่ะช่วงระหว่างวัดระหว่างสัปดาห์ถ้างานพอบริหารได้ก็จะขึ้นไปที่วัดบ้างอืก็จะไปกัไปครั้งอยู่ในวัดนะคะนอนที่วัดด้วยกันโซนโซนของอุบาสิกาอยู่ได้คะ่ะพี่สันมีอุบาสิกาพักกันอยู่เยอะไหมก็มีแม่ชีรูปหนึ่งแล้วก็แม่ชีคนหนึ่ง หนึ่งแล้วก็มีโยมวัดอยู่สักสองสาคนที่เป็นอุวาสิกาค่ะอแต่คนที่ไปอยู่ชั่วคราวไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีค่ะแล้วนั้นก็จะมีไปสัก<ม>แบบช่วงใกล้ๆวันพะอย่างเงี้ยก็จะอาจจะมีมาสักอ๋อจะมีพวกคุณยายอะไรเงี้ยค่ะชาวบ้าน<ม>ที่จะมานอนจะมาอยู่วันพระอ่าเหมือน<ม>ถืออุโบสถสีงก็จะมาดื่มกันสักแบบคนจากกรุงเทพไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีค่ ะ, คคะงั้ น, นจริงๆก็สงบนะคือแเวลาไปอยู่ที่นู่นเนี่ยจะแบบอีก อย่างนึ่งเลยคือมันสงบเงี่ยบไม่ไม่มีความวุ่นวายอะไรค่ะก็ mm hmm. ดีค่ะแล้ว ก, ก็ก็เป็นชีวิตที่ดีก็เลยยังแบบอกว่าอืแบบหลวงพี่อยู่ได้ทั้งน้ําทั้งการนอนกันอะไรโอ้ยหลายอย่างต่างกับตอนเป็นค า, ารวาแหละพอเห็นเราก็เลยยิ่งอนุโมทนาเ mm hmm. พราะจะรู้จริลุและทิศายี่อยูอ่ก็ได้ขัดกลัไป พอ oh, สมควรใช่ค่ะต้องปรับมากพอสมควรพี่รัชกก็เลยดีค่ะพี่รัชอืร ก, ก็เลยโยมก็เลยไม่ได้เข้าเลยเพราะว่าบางทีอยู่ตรงนู้นมันก็ไม่ค่อยมีสัญญาณนะมันก็จะอยู่ระ้ว่าไม่สะดวกใช่ค่ะเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยโอ้พอยอยู่กรุงเทพหมดเดียววันนี้ยจะต้องตั้งหลักเข้าให้ได้แล้วเพราะว่าหายไปตั้งห้าสัปดาห์นับทุกสัปดาห์เลยพี่รัชารอืมก็ดีค่ะโยมก็ ก็ได้ปฏิบัติไปค่ะยงปฏิบัติค่ะแต่ก็รู้ว่าเวลาต้องมาดูแลงานเพิ่มมันก็โอ้ตอนกลางคืนนี่เข้าสมาธิยากมากอาจารย์ต้องระหว่างวันมันเหมือนเราต้องทำงานใช่ควาคิดมากใช่ความคิดมากค่ะก็พยายามพอช่วงไหนไม่ต้องใช้ความคิดก็เดี๋ยวพระอาจารย์สอนเสมอค่ะพุดโธหรือปริกรรมอะไรเข้ามาเพื่อให้ได้สติก็ให้ติดจริงค่ะแซนก็ไม่ไม่มีอะไรก็ประมาณการปฏิบัติบุญ ความงเป็นดีอนุโมทนากับหลวงพี่ด้วยนะครับอาจารย์เจะกลาวเป็นท่านให้ทราบครับพอาจารย์ค่ะพระอาจารย์รักษานะคะอย่าสาธุคุณจูโกเบชวนค่านไปบวชบ้างไหมนางมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะแฟนแฟนสนใจเรื่องศาสนาบ้างปะลูกของหนูเขานับถือศาสนาคริสต์คับพระอาจารย์ แล้วเขาก็เป็นสมาชิกอ่าในในโบสก็คือเขาเขาเป็นเหมือนทํางานหลักของโบสเลยเจ้าค่ะอาจารย์เป็นแคทเธอรีนอาจารย์ค่ะนี่อย่างน้อยมีศาสนาก็ดีกว่าไม่มีค่ะเขาก็เคร่งของเขาค่ะลูกศาสนาก็สอนได้เป็นคนดีไม่เบียดเบียนพวกค่ะวันนี้หนูไม่มีคําถามเจ้าค่ะพระอาจารย์ ังอย่างวแล้วนี้ฟังอย่างเดียวจ้ะค่ะอาจารย์โอเคสาธุ อ, อมาิกาต่อนาราที่ว่ากราบนมัสการเจ้า่พระอาจารย์วันนี้ข้ามาฟังธรรมและกราบพระอาจารย์เจ้าทาบัณนี้ไม่มี ค, ามคมาําทาอย่าบัณฑิตคุมารีต่ใช่กมาีบํวเพ่อข้าเป็นยังไง ใ่คืว่าค่ะหนูได้เข้าใกล้หูเข้าสงบอีกครั้งหนึงค่ะแล้ก็ได้ได้ได้ความตื่นใจอีกครั้งหนึงค่ะของพ่อหายได้บ่อยบอค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่พอฟังหลวงพ่อไปการคุณหมอวีเสร็จแล้วค่ะหนู่าปฏิบัติต่อหนูก็นั่งนั่งที่จารณาเสร็จก็ กินข้าสมาธิไปเลยอ่ะพี่ต่อแล้วก็เริ่มเริ่มสงบวปเรื่อยสงบสงบแบบว่ามันหนูหนูตื่นยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะพี่ต่อมันมันเหมือนสติปับสมาธิตหนูอ่ะมันรวมรวมเป็นอันเดียวกับลมหายใจอะค่ะพ่อสงบมากๆสงบจนหนูรับรู้ได้ หมอสุกหมอแบบนี้เลยค่ะหมอจนจนก็ดีก็พยายามทําบ่อยๆให้มันเกิดขึ้นเรื่ อ, อยๆแต่ยาเวลาทําอย่าปอะหยัดให้มันเกิดก็แล้วกันถ้าปรยัดมันไม่เกิดแล้วหนูก็เลยนั่งดูนั่งดูที่มันสุกเดียวนั้นนะคะหลวงพ่อนั่งดูแล้วก็ ความคิดก็ออกจากตรงนั้นไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเพราะนเหมีสติคอยให้คอยดึงให้หนูอยู่กับความสงบตรงนั้นนะคะหลวงพอแล้วสงบคือว่าตัวมันเบาปหมดเลยนะคะหลวงพ่อแล้วลืมหนูหลับตาอยู่มีสติรับรู้ทุกอย่างแล้วหนูก็ลืมตาก็สงบสติสติสงบมากๆจนจนกระทั่งปีสิบขนลุกขนพองจนหนูก็นั่งอยู่อย่างนี้ตลอดค่ย แล้วพอออกมาเหตุการณพิจารณามันทําให้หนูได้เห็นสิ่ง อ, อ, อ น, นิจจังทุกขังอนะคะมันเห็นออกมาว่าคนคนเราก็เหมือนกันทุกคนแตกต่างกันแค่มีสมารถมีความดีอยู่ในจิตใจนอกนั้นก็คือทุกคนมีแบบเป็นประดุจแล้วสุดท้ายก็คืไปลงไปลงที่ไปรักหมดเลยแล้วแล้วมันก็เห็นว่า เอ่อความไม่เที่ยงตรงเนี้ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเรามีความเปลี่ยนแปลงความทุกเนี่ยเขาจะติดตามมาด้วยทุกทุกครั้งแล้วก็ตามด้วยอนุคาร์ซึ่งเป็นอะไรที่เราบังคับไม่ได้หนูโนูเห็นตรงนี้แล้วมก็เข้าใจทุกทุกทุกอย่างที่ที่ว่าเออ ม, อมันสอไม่ลงกั น, กนอย่างนี้ก็ลยกพิจารณาจนแบบ มันมีความสุขมีความสงบทุกส่งทุกอย่างแล้วก็เข้าใจว่าความสุขที่หลวงพ่อบอกว่าความมันไปเที่ยงกับความสุขข้างนอกไม่ได้แล้วความสุขตรงนี้มันมันไม่ได้อะไรมันไม่ได้มันไม่มีอะไรได้แต่ว่าแต่ว่ามันสุขที่หนูอธิบายไม่ได้รู้แต่ว่ามันสุขสุขสุขสุขเปแบบจิตใจมันก็งมีแต่มุ่ง มุ่งทางนึ่อย่างเดียวค่ะคุณพ่อแต่ว่าเวลาเวลาพิจารณาจิตมันก็จะสอนตัวเองว่าอย่าอย่าไปยาวอย่าไปไปยึดแล้วให้มองเห็นว่าถึงความสุขตรงเนี้ยมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันหนูก็พิจารณาแบบนี้ไปเรื่อยๆปล่อยวางมันจะมาะจะไปก็รู้ตามความเป็นจริงไปค่ะแล้วออ้อ เห็นแบบเนี้ขนมพ่อในใจมันมันโล่งมันสบายมันมันเหมือนมันไม่มีอะไรเลยอะขนมพ่อไม่มีความชุกเนี่ยใช่ใช่วนมพ่อแล้วแต่มันจะมีอยู่นิดนึงคือว่ามันเหมือนใจหนูจะโน้มไปทางคือคือมันมุ่งไปทางทางนี้แล้วขนมพ่อเหมือนเหมือนมันเทียบเทียบว่าความสุขของโลกมันมันไม่ใช่แล้วอืมดี ไปไม่กลับนเนี่ยไม่ซื้อตั๋วเที่ยวเดียวไม่ไม่ซื้ไม่ซื้อตั๋วไปกลับแล้วกหนูก็ทราบซึ้งถึงคําสอนของพุทธเจ้าที่มาผ่านหลวงพ่อผ่านคืบาอาจารที่ถ่ายทอดออกมาให้ให้หนูได้เข้าใกล้ได้เห็นธรรมะได้เห็นความจริงอย่างนี้เรื่อยๆค่ะหนูมันมันซึ้นใจมันทราบซึ้งมากๆเลยอ่ะค่ะมันก็เกิดจากการปฏิบัติของเราแหละ ถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็จะไม่เข้าใจมันจะไม่ทราบซึ้งใจแล้วแล้วหนูก็เพิ่มเพิ่มสติตรงที่ว่าที่หลวงพอพูดมานานแล้วพายว่าเออให้มีสติยึดตาตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับทีเนี้ยหนูหนูก็แบ่งเป็นเป็นสองช่วงก็คือว่าข้ามข้างช่วงเช้าช่วงกลางคืนข้ามถึงดึกหนูก็จะนั่งปฏิบัตินั่งพิจารณาไปแต่ว่าระหว่างวันเนี้ย ตั้งแต่ตื่นมาหนูจะที่พยายามมีสติตั้งแต่ลืมตามไม่ว่าจะหยิบจับทําอะไรเข้าห้องน้ำห้องพักคือให้มากขึ้นกว่เดิมทุกทุกอย่างที่ที่เราจะหยิบกะจับอะไรนะแม้เพียงเล็กน้อยอย่างนี้นะค่ะหน่อมันหนูสติมันสอนมันไปทั้งวันแล้วเวลาเรามานั่ง น, นั่งปฏิบัติอย่างนี้ น, นะคะหลวงพ่อคิดมันลงไวมากเลยะคะ่ะหลวงพ่อนหนูเห็น ถึงตรงเนี้ยหนูหนูหนจดวังไว้เลยว่าหนูเริ่มทํำตรงนี้ตั้งแต่29มกราคมมาเรื่อยๆคือบางบางช่วงเวลามาคะ่ะจะต้องมีเสือแต่ว่าเราจะรู้สึกตัวกลับมาให้มีสติอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําขยับไปเลื่อนเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้ทั้งที่หนูเห็นเห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างตรงเนี้ทั้งทีแล้วมันก็ทําให้อยู่ได้ไมาเห็นเมื่อคืนวันอาทิตย์นี้ค่ะคุณแม่ แล้วจริงๆเวลาปฏิบัติมันมันเพิ่มไปเองค่ะเหรอว่ดึกดึกทุกวันเลยค่ะคือหนูกําหนดไม่ได้หมายถึงว่าหนูก็จะปฏิบัติจนกว่ากําลังของเขาจะจะหมดออกมาเนะาะค่ะแล้วก็มันหนูเห็นเห็นตรงนี้แล้วหนูหนูไม่ไม่อยากหมายถึงว่าไม่อยากไม่อยากรออะไรแต่ว่าอยากมากก็ไม่ได้ก็คือพยายาม พยางมคิดว่าเออย่าอย่าไปอยากได้อย่างนั้นเนี่ยนันดอย่างนี้ค่ะอย่างนอย่างนม้เสืีนั่งฟังติดก็สงบลงมากมาเลยค่ะหลวงพ่อสมาธิเขาก็มาเองโดยที่แบบไม่ได้กาหนเดเวลามาตอนไหนก็ลงตอนนั้นเลยอ่ะหงพอหนูรายงานลงพ่อประมาณนี้นะหนูกราบขอบพระคุณหลงเป็นอย่างค่ะอ่าอยู่ที่ความเพียรของเรานะ ความเพลินพยายามพยายามรักษาความเพลินไว้ต่อไปนะข้าหลวงข่าโอเค <ไป S 1> มันจะนั้นได้พรุนี้สายบ่ายเลวไปค่ะพระอาจารย์ตกก็ว่าจะทำเองอะค่ะพระอาจารย์วัตถุดิบก็ แต่ว่ามันมีวัตถุดิบไม่ไม่กี่อย่างคะาา่ะอาจารย์ก็ง่ายๆผัดผ่าก็น้ํามันม ก, กับน้ำปลามันก็เสร็จแล้วไม่เป็นไรเลยผัดผค่ะค่ะปรมาณนั้นวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะสีแปดค่ะอาจารย์สารภาพเลยว่าตอนเย็นกินกล้วยไปหน่อยนึงค่ะอาจารย์กล้วยอบรักมันหิวอะคะาา่ะอาจารย์ มันเทวได้กี่เหรที่ย ว, วันนี้เลยพลาดค่ะพลาดไปนิดนึงพลาดแล้วพลาดเลยวันนี้เดี๋ยวพูุ่นวใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันพระพรุ่งนี้วันพระได้ค่ะพระอาจารย์พรุ่งนี้เอาใหม่มมค่ะาาอืมบังเอิญไปทําอะไรหลายอย่างสุดจนไปเผอทําอะไรหลายอย่า ง, ง, ง, งใช่ค่ะพระอาจารย์มันเป็นพลังใหม่ค่ะพระอาจารย์ ผู้ <P os ite> นี้ไม่ใส่บาทแล้ว้ามันหิววะไม่เป็นไรหิวก็ไม่ตายหรอกถ้าตายก็จะกินถ้าไม่ตายก็ไม่ต้องกินนะค่ะพระอาจารย์ถ้ากิเลยมันตายบ่างไม่ใช่เราตายเรื่อยก็ค <c oughs> <c oughs> ่ะยังโง่อยู่เยอะค่ะพระอาจารย์ฉลาด <c oughs> เรื่องเดียวค่ะเชื่อฟังเอ่อฉลาดเรื่องเชื่อฟังพระอาจารย์ <c oughs> ก็ยังดีอย่างดีเดี๋ยวเดือนหน้าวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งถึงแปดอะค่ะพอาจารย์ขึ้นเขาค่ะอไม่ได้ขึ้นมาสองเดือนได้แล้วมั้งไปสู้กับทีเด็ดชาติแบทไหมค่ะพอาจารย์โอเคได้ค่ะพรอาจารย์กากของป้องตึงค่ะพระอาจารย์คุณปุ้ยลักษมเบิก อ่าสีชมพูแมกกาเอกมาจากที่ไหนเนีห้องนอนท า, าสีชมพูเหรอปัองค่ะแเกกาค่ะท่านอาจารย์คะเอ่อโยมปุ้ยเออสบายดีค่ะโยมปุ้ยเออจะมารายงานตัวว่าเอโยมยังปฏิบัติ เหมือนเดิมและมากกว่าเดิมก็คือว่าโยมใช้เวลาหลายวันในหนึ่งอาทิตย์ตั้งแต่คุยกับท่านอาจารย์เมื่อวันพุธที่แล้ววันพุะจันทร์เต็มดวงโยมก็ปฏิบัติมาเรื่อยเลยและโยมก็ถือศีลแปดมาสามหรือสี่วันโยมไม่ออกไปนอกบ้านเลยโยมเพียรมากแล้วมันจะมีวันอยู่วันหนึ่งคือว่าหลังจากวันที่โยมคุยกับพระอาจารย์แล้วโยมได้กิ่นซึ่งไม่ดีเลยอะ่ะ โยมได้กลิ่นมันมาแตะจมูกโยมอ่ะมันเหมือนอย่างเงี้ยเป็นกลิ่นที่แบบมันเหมือนหนูตายแล้วบ้านโยมมันไม่มีมสัตว์อะไรที่จะเข้าได้ไงนะโยมก็เลยนึกขึ้นมาในใจคือคื อ, ค, อคือส่งจิตไปคุยว่าถ้าเธอเป็นดวงจิตดวงวิญญาณของใครก็ได้แต่ขอให้เธอจึงได้รับบุญของฉันแล้วพอโยมพูจบคือมันก็เหมือนกับไม่มีอะไรแล้วแต่ทําว่าโยมกลัวไหมโยมไม่ได้กลัวหรอกแต่ เหมือนกับรู้ค่ะเนะยโยมก็ปฏิบัติตามท่านอาจารย์พูดว่าทานให้น้อยนอนให้น้อยภาวนาให้เยอะเออบางวันโยมก็ไม่ได้สวดมนต์ตอนเช้าโยมก็สวดตอนเย็นรวดเดียวเพราะว่าโยมใช้ภาวนาแต่ละช่วงโยมก็หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยโยมจะทำแบบมากกว่าสี่ห้าหกชั่วโมงนะคะแล้ว ครับเมื่อวานี้โยมก็ไม่ได้ออกไปจะมีวันนี้ที่โยมเดินออกไปคือคือโยมรู้สึกว่ามันมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มาทดสอบโยมคือมีบุคคลคนหนึ่งซึ่งเขาติดต่อโยมเข้ามาเหมือนกับต้องการจะเช็คอะไรต้องการจะรู้อะไรแต่ว่าท่านอาจารย์สอนด้วยการที่ว่าโยมเข้ามานาะนทางทําแล้วโยมรู้สึกว่าโยมมีสติมากขึ้น โยมพิจารณาและโยมก่อนที่จะคิดจะพูดอะไรโยมก็เลยทําให้โยมรู้ว่าอ๋อเขามาไม่ดีเราก็ถอยออกมาแค่แค่นั้นแตโ่โยมใช้เวลาถึงสองโมเออสองชั่วโมงกว่าที่จะดึงสติเรากลับมาได้เพราะถ้าเป็นเมื่อก่อนโยมก็คงจะโกรธเยอะไปพระอาจารย์แต่โชคดีที่ว่าโยมมีพระอาจารย์คอยสั่งสอน อ, อยังโยมเวลาโยมนั่งสมาธิอ่ะมันก็สงบนะพระอาจารย์ คือมันทำให้เราไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครเลยค่ะแล้วมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันสงบมากมั้งมันมเหมือนหรือมันเหมือนกับคนที่มีโรกส่วนตัวสูงอะ่ะจาราใจ่ามีความสงบในตัวมันก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับใครใช่ค่ะแล้วมันเหมือนกับว่ามีอะไรมาสั่งสอนเราที่ว่าปกติแล้วถ้าโยมสวดมนต์เย็นก็คือสวดมนต์เย็นทีนี้มันเหมือนกับมีอะไรมาบอกโยม ว, ว่า อันนี้มันไม่ใช่เพลย์เจอร์นะคะท่านอาจารย์เหมือนเหมือนกับมีอะไรมาสอนโยมว่าคุณจะต้องภาวนาพุทโธพุทโธเท่าอายุคุณและโยมก็เคยลองทํามาสองวันแล้วนะและก่อนที่โยมจะนอนโยมก็ทํามาภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยเท่าอายุโยมแล้วโยมก็นอนทีนี้พอยมนอนมันมันมันตื่นอ่ะมันเวลามันตื่นมันมีบางวันที่มันมันตื่นขึ้นมาแล้วมันแบบมันนั่งสมาธิแล้วมันชอบหลับแบบพัจจาน โยมเป็นอย่างนี้สองวันนะแต่ทีนี้โยมลงโทษตัวเองโยมเที่ยนตัวเองโดยที่ว่าเมื่อวานเนี้โยมตื่นขึ้นมาโยมนั่งสมาธิตอนตีสามหรือตีสี่โยมจําไม่ได้แล้วทีนี้โยมเผลอหลับไปโยมก็เลยลงโทษตัวเองแบบไม่ออกไปไหนเลยชือศีลแปดเลยศีลแปดเต็มๆ เ, เลยท่านอาจารย์ว่ามันมัมนมีอะไรมาแกล้งโยมไหมเนี่ย ไม่มีหลักมันก็เป็นเรื่องปกติของใจนะใจแล้วมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นขึ้นลงลงเราต้องพยายามทาเป็นเป็นเนื้อแบบมีหางเสือคอยคัดให้มันเข้าไปในทางธรรมอยู่เรื่อยๆค่ะคือเวลาโยมนั่งสมาธิเนี่ยมันมันจะมีบางครั้งซึ่งซึ่งเราจิตใจเราเหมือนกับว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะกินก่อนแล้วจะมานั่งเนี่ยมันมีอะไรที่มันมันมาเตือนเราอ่ะมันมาที่หูอ่ะท่านอาจารย์ มันมาบู๊เงี้ยและทีนี้พโยมไป น, นั่งสมาธิแล้วมันเหมือนกับมีอะไรที่มันเป็นเหมือนกับเส้นกระแสกระแสไฟฟ้าซึ่งมันไหลขึ้นมาจากสมองขึ้นมาจากหัวขึ้นมาเงี้ยแล้วมันก็มารวมตรงเนี้ยมันรวมตรงเนี้ยแล้วมันก็เป็นดวงดวงอ่ะ <c oughs> แล้วและเนี้ยโยมก็จะรู้สึกดีแล้วถึงแม้โยมจะนั่งได้แค่สามสิบนาทีโยมจะรู้สึกดีแล้ว พยมออกมาเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนจะมันจะเหมือนกับเรารู้สึกว่าเรา restart อ่ะเรา re recharge แบตของเราอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยท่านอาจารย์อืแต่มันยมไม่ได้เหมือนหมายถึงว่ายมเห็นนรกสวรรค์อะไรนะคะท่านอาจารย์ไม่ต้องเห็นอให้มนเห็นเห็นความสงบเพียงอย่างเดียวก็พอใยมก็ไม่ได้หวังว่าเอ้ยยมจะต้องมีฌานในนู้นฌานในนี้ไม่ใช่คือคือมีความสงบก็แล้วกันนะ ใช่ค่ะยมหวังอย่างนั้นจริงๆริง <Okay. S 2> ยมยมก็เลยคิดว่าเอ่ยมจะมากราบขอบพระคุณพระอาจารย์และยมจะมีความเพียร น, นี้ยิ่งขึ้นไปค่ะขอบพระคุณ<ม>ตัวเราเองอะอัตตอิอัตโนนาโถยมถวายบุญกับพระอาจารย์ด้วยค้า uh huh. บุญใดอยมขอแสดงความยินดีด้วยค่ะพระอาจารย์ย uh huh. วันนี้พระอาจารย์อายุฮะเอ่อบวชมาห้าสิบปีแล้วเหรอคะห้าส uh ิบ huh. ปีแล้ว <c oughs> เอายมไม่รู้มาก่อนถ้ายมรู้ยมก็ถูกหวยดีหลาคนถูกเยอะแยะเลยที่คนบ้านเพื่อสายบาลนะก็ตกกันเยอะว้ายยมไม่รู้จริงจริถ้าจริงๆแล้วยอมน่าจะถามว่าจาย์นในแดดสุดนี้แล้คนไม่มีบุญไม่างเงี้ยไม่มีบุญก็อะขอกระมาค่ะในบ่เดี๋ยวยอมจะตั้งใจค่ะให้มากกว่านี้ค่ะพร้อยโอกาสหน้าไว้อมีโชคบ้างนะ วัหนหน้ากาขอบคุณเจ้าค่ะคแล้วท่านอาจารย์คะยมขอพรให้ิยมผ่านมันมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งพรุ่นี้ยมต้องไปฟังผลและยมผ่านด้วย่ไปเขียวผ่านตลอดนะสาธุขอให้พระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงเถิเจ้าค่ะสาธุสาธุขอคุณหมอใหม่เช่นอยู่จันทบุรีนะคุณหมอ อยู่จันทบุรีเจ้าค่ะอยู่อเภอเมืองไม่ไหวอยู่อําเภอเมืองเจ้าค่ะวันนี้ก็ฝนตกแรงทางช่วงเย็นนะคะค่ะพายุเข้าเลยค่ะฟ้าร้องพายุเข้าลมแรงค่ะอืมตอนนี้ล้มไหมเออยังไม่เห็นลมค่ะแต่ว่าน้ําก็ขังที่ถนนถนนค่ะอืมค่ะที่นี่ก็ช่วงกางวันก็ตกบ้างแต่ไม่แรงนะคะก็ช่วงวันนี้หนูก็ ถวายการปฏิบัติบูชาค่ะก็ขอน้อมถวายความเพียรเป็นเครื่องบูชาพระอาจารย์ะ <Yeah. S 2> ก็ปฏิบัติ <Yeah. S 2> ทุกวันค่ะแล้วก็ระหว่างวันก็ดูจิตดูขันแล้วก็เ mm hmm. พิ่งมีบททดสอบมีข้อสอบที่ค่อนข้างเหมือนกับการดูลมอะ่ะมันมันดึงสติไว้ไม่ได้หนูก็เลยลองบริกรรมดูก็รู้สึกว่าว่าช่วยได้ค่ะ mm hmm. พะอาจารย์ นี่สติสําคัญสติเป็นตัวหยุดจิตได้ค่ะแล้วพอมันเหมือนกับว่าคือมันพิจารณาความทุกข์ในชีวิตอย่างไงี้ค่ะแล้วมันมันก็รู้สึกว่าสั่งสารวัตเนี่ยเราเราสู้มันไม่ได้เราได้แต่ยอมรับแล้วก็ออกจากมันได้อย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะเราไเปลี่ยนมันไม่ได้มันเป็นอนิจจังทุกครั้งน่าตาค่ะแล้วมันมันก็เลย เหมือนกับช่วงเนี้ยมาเลยรู้สึกพอเวลานั่งสมาธิแล้วมันมีปิติสุขเอกคตาอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันมันก็รู้สึกว่าในความสุขเนี้ยมันก็มันก็ไม่เที่ยงอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยอินอะไรเท่าไหร่อ่ะอาจารย์ก็ทำไปมันเป็นเครื่องอยู่เนกว่าเราจะไปเจอความสุขที่เที่ยงต่อไปค่ะก็เดี๋ยวจะเพียนต่อไปค่ะอาจารย์ ควาสุขที่เที่ยงก็คือคันสุขที่เกิดจากการละ ก, กิเลสได้หมดถ้าตัดกิเลสได้หมดแล้วก็จ ะ, จะเจอความสุขที่ยั่งยืนถาวรประมังสุขคขรับข้อศาตรูครับอาจารย์ก็หนูจะเพียรต่อไปค่ะคอยลดละ ก, กิเลสคำโลภคำอยากอยู่ไปเรื่อยนะอย่าไปอย่าไปส่งเสริมมันต้องคอยตัดมันค่ะแล้วก็ได้ลองพิจารณาผมผลเล็บฟันหนังอนะ่ะค่ะ แต่ว่าเริ่มจากพิจารณาผมก่อนนะคะแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆแล้วมันอยู่ดีๆมันก็มีความรู้สึกอยากลองบวชชีดูค่ะอยากลองโกนหัวดูว่าจะผ่านจะอะไรเอาปอนปะยึดติดกับผมหรือเปล่าค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากบวชชีค่ะพระอาจารย์ได้ลองดูค่ะไม่นมีโอกาสอยู่ที่เราจะคว้ามันหรือเปล่าอะรอ่างเงค่ะ ที่พอดีหนูเป็นหมอมะเร็งคนเดียวในโรงพยาบาลเนะะี่ยค่ะก็เลยอาจจะต้องบริหารเวลานิดนิดนึงอะคะ่ะเพราะว่าถ้าถ้ามีช่วงที่ลาเกินหนึ่งอาทิตย์ก็โรงพยาบาลเขาก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหระคะ่ค่ะก็ต้องมันก็ต้องบที่ว่าเราในโลงนี้ไม่มีเราคนเดียวหรอกถ้าเราไม่มีเราก็ต้องหาคนอื่นมาทแทนจนได้ค่ะค่ะอาจารย์อืาอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถจะไปทําอะไรได้เลย มติดตินอยู่ตรงนี้ละไปไหนไม่ได้หวังว่าวันหนึ่งหนูจะมีความกล้าพอค่ะแต่ว่าหนูวางแผนไว้แล้วค่ะเพราะว่าคุยกับแฟนไว้ว่าก็คือไม่มีลูกอะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้แฟนก็ไปบวชสิลปแปดที่ที่วัดได้จะเกือบจะเดือนหนึ่งแล้วค่ะก็เตรียมตัวเพื่อว่าพ อ, อ หมดพ่อหมดพ่อกับแม่แล้วหมดภาระแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะทางทำใช่ค่ะทั้งสองคนดี็นมากตอนนี้ก็ซ้อมไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนค่ะซ้อมทุกวันค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวเอเดี๋ยวอาจจะเริ่มสี่แปดทุกวันพระค่ะเดี๋ยวจะเริ่มอาทิตย์หน้าค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวทดลองดูนะค่ะสาธาบูรณาค่ะกราบพระอาจารย์ค่ะเอ่าคุณที่ติมา นี่ไปย้อนย้อนเป็นสวนทางทางธรรเนี่ยการต้องรัการค่ะเป็นยังไงยันสิ้นแปดรักษาไม่ได้เห็นนะตอนนียั ง, ย, งยังไม่ได้ค่ะอาจารย์งานเยอะด้วยค่ะแล้วก็วาวุ่นนิดนึงค่ะช่วงนี้งานเยอะจะัดโอเคงานลำบากพยายามกําหนดเป้าไว้ได้ค่ะ อาจารย์าแข็งขแรงนะคะคุณจ you know ิ๊บจิ๊บนี่จิ๊บรถเดินแล้วจิ๊บไปเลยจิ๊บไรถจิ๊บไปบ้างใช่น่าจะใช่นะคะอาจารย์ก็ให้ฝรั่งพอางทีบอกฝรั่งบอกว่าเรียกชื่อจิ๊บตอนแ้วบอก JIB อะไร IP s ะไอวีเหมือนกับสำเนียงเราอะค่ะมันตัว v ีตัวบีกับตัวพีตัว v ีมันคล้คายๆกันนะคะยมก็เลยรำคาญยมก็เลยบอกว่าโอเคชื่อจี๊ปแล้วกันจี๊บแม่ก็ทักจี๊บจี๊บแหละหนูก็่าไปง่ายๆเพราะเวลาใครถามชื่ออะไรบอกว่าจี๊บจี๊บแล้วก็คาะอะไรงเงี้ยบอกอ๋อเปนรถเหรอเอ อ, อโอเคโอเคอ <laughs> ยมก็เออาชื่อนี้ล้กันง่ายๆเพราะว่างจี๊บว่าจี๊บ ภา้าไทยภษาไทเราสะอดยางไงจอสรรอีจอจานสลีค่ะหนูก็ชื่อจีอจิ๊บอะค่ะเปนหมือนนกร้องจิ๊บจิบหนูก็ไม่รู้ว่ า, วาคุณแม่จะให้หนูชื่ออะไรหนูก็เปลี่ยนไปตามใครอยากเรียกอะไรก็เรียกหนูก็หันหมดเลย <laughs> จริง อาจารย์ใช้ไม้ตีพระอาจารย์จะตั้งชื่อใหม่ให้โยมไหมคะเอาชื่อใหม่แล้วดีแล้วดีแล้วชื่อแบบว่ากินน้อยกินน้อยไปชื่อแบบว่าเหมือนอย่างน้องสันโดษน้องอะไรน่หนูเอาโยมเอาใช่โยมขอสักชื่อมักน้อยต้องชื่อมักน้อยมักน้อยกินน้อยก็ได้กินน้อยก็ได้ เย็นๆเมื่อกี้ฟังคุณอะไรนะคะเขาบอกว่ายี่สิบคำยมแบบยี่สิบคำเดือนนะยี่สิบคำต่อวันยี่สิบคำต่อวันวันละสามมือ้อมื้อละเจ็ดคำโอ้เมื่อกินเมื่อเดียวเขากินมื่อเดียวไม่ไแบ่งเป็นสามื้อหรอไม่ยังหนูยมก็แบบอุ้ยตายแหละถ้าเราเอาแบบว่า ันนะถ้าเรามีสัตจับเอาไว้20คำเพราะหมอบางคนก็บอกให้กินผลไม้ก่อนทานอาหาร7คำยอย่างโกู7คำหมดไปแล้วหนึ่งมือ้อไม่ได้ก็เลยอกโอเคโอเคเดี๋ยวพอฟังดีค่ะวันนี้วันนี้ขออนุโมทนากับทุกท่านนะคะคือโยมฟังแล้วรู้สึกว่าการเป็นในชีวิตของโยมค่ะพระอาจารย์โยมมาอุปสรรคที่ที่แย่ที่หนักที่สุดของโยมคือการมีสัตจัแล้วก็ทํา เขาเรียกอะไรดิส цип ลินนะคะเหมือนถ้าเราตั้งใจอะไร่ะใช่มีวินั ย, นยใช่ค่ะมันคือสิ่งที่สิ่งที่อุปสรรคของโยมเป็นด่านนี้ของโยมที่โยมคิดว่ามันคือด่านที่ใหญ่ถ้าโยมมีวินัยอย่างบอกว่าปฏิบัติแล้วปฏิบัติบางวันพอมันเหนื่อยจริงมันหลับไปเลยค่ะพระอาจารย์แล้วโยมก็แบบไม่เข้าใจว่าตั้งนาฬิกาปลุกตอนเชา้าก็จะมานั่งมันก็ไม่ไหวยังไงก็ไม่รู้ กิเลสมันเยอะจริงๆค่ะเหมือนที่เขาบอกเมื่อกีน้น้องคนหนึงบอกกิเลสมันร้ายมันร้าจริงๆกับปรจันเขาบอมัมาแบบมันเกิดเป็นดอกเห็ดเลยประจันนี่ของอะไรของมันเนี่ยชูไม่ไหวเลยนะ <laughs> โอเค <laughs> อืฉันยาไม่ทิ้งกาพยายามะใช่ค่ะ่าจะมันอยู่บนถนนโยขับรถอยู่ด้วยค่ะยังไงก็ขอพระอาจารย์ท้ากันแข็งแรงนะคะจะปฏิบัติให้ให้ให้เรื่อยๆพยายามไม่ทิ้งการปฏิบัติค่ะจะน้อยจะมากก็จะไปจะไม่ทิ้งนะคะพระอาจารย์ขอพระอาจารย์คัากันแข็งชาดูค่ะนี่ขับขับเลนเลนเลนเรนช้าสุดเลยค่ะ ค่ะค่ะสาธุค่ะค่ะคุณฟลังวไลสีราชาก่อนนมัสการค่ะพระอาจารย์ก็ปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะปฏิบัติบูชาค่ะแล้วก็ช่วงหลังๆค่ะเอ่อาอนหนูทำงานเนี้ยจ้ะคะยังมีพนักงานที่ยังเข้ามารึกษาหรือทะเลาะกันหรือมีปัญหากันนะคะช่วงหลังๆก็น้อมนำคำสอนพระอาจารย์ไป รีเฟร์เลยค่ะพูดถึงพระอาจารย์เลยค่ะแล้วก็วิธีการสอนวิธีการปฏิบัติบางคนพอเราบอกเขาวงคนเขาก็จะบอกว่าเออมันทำยากอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าถ้าไม่เริ่มก็ทําก็ยังไม่ได้ทำา้วยนั้นก็คือถ้าอยากจะพ้นทุกข์นะคะก็เริ่มปฏิบัติเสียค่ะข อ, ขอบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าไม่มีอะไรนะไ ม, ไม่มีอะไร เ, เจ้าค่ะอ่าคุณหมอสุทธาชนิตา เป็นยังไงคุณหมอสบายดีสบายดีเจ้าค่ะนามสการท่านอาจารย์เจ้าค่ะลูกไม่มีคำถามเจ้าค่าะจิตใจสงบนะดีเจ้าค่ะสงบดีเจ้าค่ะโอเคมีความสงขใช่เจ้าค่ะขอบคุณเจ้ค่ะตัวคุณปานอมจากเซลม์ออร์แกน การนวัตการเจ้าค่ะลููไม่มีคำถามเจ้าค่ะยังปฏิบัติแล้วก็ยังไปวัดอยู่เป่ะยังไปอยู่เจ้าค่ะช่วงนี้ติดทางทานเพราะว่า ม, มีเวลามีงานวัดที่วัดก็จะหนูก็จะต้องไปตาส้มตำก็ไป ย, ย่างต้ตมดำกั ย, ย่างก็หนูจะถนัดเรื่องตาส้มตำที่วัดส่วนใหญ่เวลามีงานก็ เขาก็จะบอกว่าหลิวตําส้มตำไม่ก็ตําค่ะลงทานเลยค่ะหลวงพ่อมีพรกี่รูปครับธรรมดามีพระกี่รูปที่วัดธรรมดาตอนนี้มีพระอ่าที่มาช่วยด้วยก็สีรูปเจ้าค่ะพระมาจากศูนย์ปฏิบัติธรรมอีกที่มาช่วยทำป้ายที่พังอยู่เจ้าค่ะแล้วป้ากติอยู่ปกติมีกี่รูป ปกติมีสามเจ้าค่ ะ, ะแล้วก็มีที่วัดลาวที่พอร์ตแลนด์นินมนต์ไปอ่าฟาวัดหนึ่งลูบแล้วก็ตอนนี้ที่จริงๆก็คือตอนนี้เหลือสองลูกเจ้าค่ะนูก็เหมือนเดิมเจ้าค่ะฝึกปฏิบัติด้วยแล้วก็ทำทานไปด้วยพว่ผู้กับการดูแลทำความสะอาดเพานเสนภาวนาทำให้ครบก็เลยก็ยคือใช้แรง เป็นในการก็ถือว่าเป็นาการาปฏิบัติ <c oughs> ทำหน้าที่ทำทานด้วยการด้วยการรับใช้สังคมนะรับใช้จิตอาสาจิตอาสาคืออยู่ที่ครัวส่วนใหญ่เลยค่ะร้างจาอยู่คนเดียวทําอะไรเป็นเหมือนห้องครัวบ้านตัวเองเลยจ้าค่ะถนัดมากครื่งนี้ทต <c oughs> า, าทตัวเป็นแจ๋โอเคทาตัวเป็นแจ๋วใช่จ้าค่ะไม่ลืมคําที่หลวงพ่อบอกว่าเป็นแจ๋วเป็นผ้าเช็ดเท้าเหมือนที่ดวงตา อสอนเทศอันนั้นคือทิ้งไม่ได้เลยจ้ะค่ะคัดห้องน้าเน้นเรื่องการปฏิบัติละอะไรที่มันความอยากเริ่มจากข้องน้ำดูร้าคงเพ้อเ ห, ห, ห, หเครื่องสำอางไม่มีเลยค่ะลงขยะหมดตั้งแต่ฟังหลวงพ่อค่ะก็ะคื อ, อมุ่งเน้นเรื่องการปฏิบัติขัดเกลากิเลสที่มันหนาออกทั้งบางที่สุดเท่าที่จะบางได้จ้ะค่ะ Yeah, <Yeah. S 1> ดีมาก yeah. แล้วก็ตอนนี้ก็พิจารณาไปถึงเรื่องการผ่าร่างกายออกเจ้าค่ะหลวงพอ่อมันไม่มีอะไรไลเลยร่างกายเนยผ่าหมดตั้งแต่ลำคอลงไปแล้วดูอยู่อย่างนั้นแล้วเจ้าค่ะไม่ไม่มีควา ม, าม ไ, ไม่มีความสวยงามไลภายใต้ไม่มีะไม่มีความกลัวไม่มีอะไรที่เป็น กันสารสาระเลยใช่คะ่ะไม่อยู่กันมาตั้งแต่เกิดนไม่กลัวมันมเลยค่ะ <laughs> เ <laughs> มื่อก่อนนี่ยังอ๋อยังอ๋อต้องต้องแต่งหน้าดี๋ยมีทาแป้งทาครีมเดี๋ยวนี้ทิ้งทายะหมดค่ะทำทุกอย่างให้เป็นอ่าเป็นเรียกอะไรนะคะทำเป็นเหมือนกิริยาไม่ได้ไม่ได้ให้มันเข้ามาในกระทบในใจนะคะดี พร้อมจ้ะค่ะกับนักสักการะกับขอบคุณในคำทักคำสั่งสอนทําให้ลูกท้อไม่ได้จ้ะค่ะมันอาจจะมีดอกไปบ้างก็ซูไม่ถอยนะซูไม่ถอยจ้ะค่ะดอกไปบ้างแต่ว่าก็ก็ฮึดกลับมาก็คือน้อตามบอกเราเป็นนักลบไม่ใช่นักหลบนะจ้ะค่ะจะไม่จะไม่ท้อจ้ะค่ะจะทําจนกว่าหมดลมหายใจ ไม่กิเลสไม่กิเลสหมดไปจากใจนะท่านหลวงพ่อก็น้องกิเลสต้องหมดนะเจ้าค่ะหลวงพ่อจะสู้จะจะปฏิบัติต่อไปอจนกว่าจะหมดเจ้าค่ะครับไม่หมดลูกก็หมดกิเลสอย่างได้อย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะท้ชาตินี้ไม่หมดลูกก็พร้อมจะสู้ต่อไปชาติต่อไปสูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดเลยปณิธานของลูกเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อครับ นวมสักการขอบคุณหลวงพ่อเจ้าค่ ะ, ะน้องเอิงเอิงยังไงไม่ดีไม่ดีเลยสวัสดีค่ะพระอาจารย์ก็กันนวมสักการค่ะก็มารายงานพะอาจารย์เล็กๆค่ะว่าที่บอกกับพะอาจารย์ว่าจะอดข้าวจะทานข้าวมื้อเดียวอะค่ะก็ได้ทำมาคอบอาทิตย์แล้วค่ะน้องที่นั่นแหละ ครบอาทิตย์ค่ะพเพ<อ> <ๆ S 1> ราะว่อกกับพระอาจารย์พุทที่แล้ว <laughs> ไม่กินกาแฟไม่กินอะไรแบบนอกจากอาหารแล้วก็ไม่เดือดอะไรนอกจากน้ําเปล่าใช่ค่ะแล้วก็ก็รู้สึกว่าตัวเองแบบเออร่างกายไม่ไม่ง่วงจริงๆค่ะทํางานได้ทั้งวันแล้วก็ยังสามารถแบบเดินจงกรมได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะรายงานพระอาจารย์แท่นี้ค่ะประโยชน์ประโยชน์ของการรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารเนี่ย ค่ะดีทำให้ทำให้มันตลอดรอบสั่งนไม่ใช่ทำแค่โกโก้โมอู่แค่ทิศสองอทิตย์แล้วก็หายว่างไปนะสอะพระอาจารย์อยู่กับพระอาจารย์ทุกพูดคะ่ะน่าจะต้องละอายใจบ้างถ้าไม่ทำอย่างที่พูดใช่ะถ้ามันดีก็รักษาไว้นะของนี้ของนี้ดีคจะรักษาไว้ช่วยพัฒนาจิตใจของเราให้สงบมากขึ้น มีความเท็จแข็งคมคาอดทนมากขึ้นขอบคุณคะ่ะอาจารย์แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังทำไม่ได้มากคือพระอาจารย์บอกว่าก็ให้หลดการกระทบบางทีแบบเหศปัจจัยของเอออะก็รู้สึกว่าต้องไปเจอคนเยอะมากๆค่ะไม่ใช่ความเมตตาก็เลยใช้ความเมตตาให้อภัยก็ให้อภัยก็ค่ะพระอาจารย์ใครก็จะดีใครก็ใครก็จะร้ายเขายังไงก็ให้อภัยเขา ค่ะอาจารย์อย่าไปกดเข้าอย่าไปอช่ค่ะต้องใช้เมตตาเวลาเกี่ยวข้องกับคนต้องใช้เมตตาค่ะโอเคขอบคุณค่ะอได้เลยค่ะคุณปูเป้ต่ อ, อ, อเรามื่อกี้เห็นคุณปูเป้เกีวเปลี่ยนไปไม่เป็น ไ, ปไรปูเป้ก่อนนั่มื่อกี้สุดไปแล้ว กลับนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์พอดีอเปลี่ยนเปลี่ยนที่อยู่ค่ะพระอาจารย์เคลื่อนย้ายเปลี่ยนครับไม่เป็นไรอ่ะมามาพระอาจารย์ค่ะของหนูก็ปฏิบัติเรื่อยๆค่ะก็เกี่ยวกับอ่อมาอ่ากินแต่น้ําดื่มแต่น้ําแล้วก็ดื่มนมเนีนะะ้ยค่ะหนูก็วันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วค่ะพระอาจารย์แต่ประเด็นสิ่งที่สัมผัสได้คือกิเลสโจมตีเลยค่ะพระอาจารย์ตอน คือการเคลื่อนไหวของลำไส้อ่ะค่ะพระอาจารย์แล้วพอไปนั่งรถเมย์ไปทํางานนี้เริ่มแล้วค่ะคือแบบอยากจะเข้าห้องน้ําหนูก็เลยเข้าสมาธิเลยะคะ่ะพระอาจารย์พอนั่งสมาพอเปิดตาใกล้จะลงไปทํางานแล้วตอนเดินมันมาอีกแล้วะคะ่ะโจมตีปุ๊บหนูบอกว่าเอาสี่รอบนี้พุทโธพุทโธเดินเลยะคะ่ะพระอาจารย์แต่มันก็หายไปเลยนะคะไปอยู่ ตอนลุยเดินไปทํางานต่อค่ะพระอาจารย์หลังจากลงรถเมล์หนูนึกว่าแบบจะไม่ไหวตอนแรกจะคิดว่าจะนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปโรงพยาบาลค่ะพระอาจารย์แต่ว่าอยากอยากลุยแบบลองเดินแบบอาพุทโธพุทโธเดินไปโรงพยาบาลค่ะพระอาจารย์ความที่ว่าคิดว่าจะเข้าอยากเข้าห้องน้ํามันหายไปค่ะพระอาจารย์ก็เลยว่าโอ้ได้ผลตรงนี้ค่ะพระอาจารย์แต่หนูก็ใช้แค่วันนี้แค่สามวันสองวันพรุ่งนี้ก็ มาทานปกติะค่ะเพราะว่าเสียดายผักที่ซื้อมาในตู้เย็ น, นะค่ะเพราะว่ามันจะอุตส่าห์ซื้อมาเก็บไว้อะค่ะพระอาจารย์ก็เลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยลุยใหม่ค่ะพระอาจารย์เนี่ยก็เลยได้ลุยในการแราว่าไม่เพียด้วยะค่ะพระอาจารย์ถึงแม้จะไม่ได้กินข้าวนะคะดื่มแต่นมกับน้ำแต่ว่าการเคลื่อนไหวของลำไส้จะเร็วหน่อยะค่ะพระอาจารย์ ก็ยังดืมมันมากเลนท่านนมท่าเดื่มมันมากมันก็จะทําให้ทําให้ถ่ายง่ายใช่คะ่ะพระอาจารย์เข้าห้องน้ําเลยลคะ่ะพระอาจารย์<ม>ทีนี้พอมานั่งรถเมมันมาแล้วคะ่ะแบบโอ้แบบว่าดื่มไปเยอะแล้วคิดว่าทั้งวันมันต้องใช้พลังงานเยอะก็เลยดื่มเยอะคะ่ะ<ม>พอนั่งรถอยากเข้าห้องน้ําปั๊บเลยคะ่ะแล้วก็เข้าสมาธินี้เลยคะ่ะพระอาจารย์ พอเบอิดตา ม, มาจะลงและวมันมาอยูแล้วค่ะหนูก็เลยว่าโอ้อยากอยากลองไม่ควรกินนมอย่างเนี้ถ้าจะกินอย่างนี้ก็กินอาหารดีกว่าใช่ครับอาจารย์หนูก็เลยว่าหนูแค่แบบแบบลองแบบเปลี่ยนแบบไม่ต้องทานข้าวดื่ ม, มแต่น้ํากับมนมจะมีปัญหาหรือเปล่า อ, อย่างนี้ยเจ้าขาอาจารย์ถ้านมกล่องนั้นก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามากกว่านั้นมันก็จะมีปัญหาเจ้าขาอาจารย์ อ, อ, รรยอืก็เลย ก็ลองปรับใหม่คะาา่ะอาจารย์ ก, กินมื้อเดียวะกินมื้อเดียวแล้วก็วกใช่คหลังจากนั้นก็ไม่ได้กินอะไรไม่เดือมง่ายนอกจากน้ำปเปล่าไหมเจ้าพระอาจารย์อาจก็เดี๋ยวจะปรับใหม่ก็เหมือนเดิมค่ะก็ทานมื้อเดียวตอนเ<ด>ชา้าอย่ายไปทานให้มันมากเกินไปก็แล้วกักก น, นะคิดทานพอไวนะ้ให้มันหายหิวแล้วก็หยุดกินอย่าไปกินให้มันอิ่มเจ้าค่ะอาจารย์ โอเคดีมากสาธุให้มันก่อนมาใสายบาทใช่ไหมใช่ค่ะพรอาจารย์ก่อนไประยองค่ะพรอาจารย์ระยองนเใช่ค่ะครับใช่เพราะครอบครัวมาด้วยกันเลยใช่ค่ะครอบครัวหนูเองค่ะลูกสาวโอเคสาธุโอเคสาธุค่ะอ่าใครตจอยคุณจอยยังไงจอยมาอยู่วัดเองไหม ยังไม่ไปไหมอ่ะไปแล้วไ่คะไปค่ะแต่ว่าเพื่อนชวนไปบวชที่วัดบางพึ่งค่ะที่ไหนวัดบางพึ่งชวนไปบวชเดือนหน้าอยู่ที่ไหนสมุดปาการหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจต้องต้อ ง, ต, องต้องเปิดกูเกิลเออเปิดอะไรแบบดูก่อนค่ะเขาเขาบอกว่าเขาเขาอยากชวนไปบวชวันนั้นกี่วันแล้วแต่แล้วแหนูสะดวกหนูว่าห น, หนูหนูดูก่อนเพราะว่ามันก็ไกลาจากที่พัทยาเหมือนกัน ก็ดีที่ไหนก็ได้เขาให้มันเป็นที่มีการปฏิบัติกันแล้วกันนะค่ะแต่ว่าทุกวันหนูได้เรียนรู้จากทุกอย่างคนรอบๆตัวเป็นครูสอนเราที่ได้ดีที่สุดเลยค่ะมันได้เรียนรู้จากอารมณ์ที่เขาใส่กับเราแล้วเรานิ่งได้ไหมเราทนได้ไหมมันมันได้ฝึกตัวเองตลอดเลยค่ะเราเป็นตายรักอนิจจ์ทุกครังงนะตาค่ะมันทําให้รู้ว่ามันมันไม่เที่ยงพออีวันนี้เขาเป็นอย่างนี้อีวันนึ่งเขาก็เปลี่ยนไปอีกวันนึ่งเขาก็เปลี่ยนมา แล้วก็าห่างก็ไม่ได้บังคับเขาไม่ได้ค่ะธรรมะของหนูหนูได้เรีรู้จากคนรอบๆข้างหนูทุกคืนที่หนูได้ได้ได้ได้ได้ถึงริมตา ม, มาเลยค่ะเอนั่นแหละของจริงมันเป็นอย่างนี้เรามองเราไม่ได้มองมันอย่างงี้เองเรา ม, ามอง<บ>ว่าเขาเป็นเรื่อย่างนี้เราต้องบังคับเขาได้ต้องบอกเขาได้เปลี่ยนเขาได้ ไม่ได้เลยค่ะมันไม่ได้แล้วเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาเราห้ามใจเราได้อย่างเดียวคือที่ตัวเราโดยแท้เลยค่ะถ้าใจเราเฉยล้วก็ไม่เดือดร้อนครับฝึกสติให้ใจเฉยๆอุเบกขาเยอะๆเราจะเฉยง่ายนะสัญญาหายไ่แล้วจอยเงียบไปเลย ไปที่สเลนทอนก่อนนะคุณสเลนทอนเปิดไมมเรือยังค่ะพระธสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าเป็นยังไงไ ม, ไม่เป็นยั ง, ยงไงค่ะหามันไม่หนาไม่หายหนาวสะทีค่ะแล้วก็เมื่อวานก็ไฟดับปีนี้รู้สึกหนาวเยอะเลยนี่หวังจะมีมาอีกลูกก็ไม่ให้ที่รกาได้ค่ะเห็นมีข่าวว่าเตรียมรอต้อนรับได้เลยอย่างนี้ค่ะ ก็ก็อลอค่ะหนาวนานค่ะปีนี้นานหน่อยอะค่ะก็นอกนั้นก็ไม่เป็มากค่ะก็ยังทํางานอยู่ที่บ้านก็ไม่อะไรมากระทบมากมายอ่ะค่ะอลูกสาวก็โอเคไม่มีอะไรค่ะก็มันก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาทั้งหมดอะค่ะเขาก็มีชีวิตของเขาหนูก็รู้สึกว่าเขาพอเขาเริ่มโตขึ้นเขาก็มีอเขาไปเขา หนูว่าหนูว่าหนูแค่รอเวลาค่ะพรอาจารย์รอให้เขามีเวลาเป็นโตขึ้นแล้วก็สามารถช่วยเหลือได้ค่ะเราก็ค่อยๆเราก็ค่อยๆวางลงเรื่อยๆจะได้มีเวลามาปฏิบัติแบบจริงจังแล้วค่ะพระอาจารย์อืวันนี้หนูก็ไม่มีลูกคนเดียวเลยคนเดียวค่ะคนเดียวก็อยู่คนเดียวก็ไม่ยุบเอน่อยนะเหยื่อแล้วคนะต่อเราค่ะ ก็มีการบททดสอบหลายเรื่องมากๆจากลูกนี่แหละค่ะเราก็รู้สึกว่าเราต้องมีความอดทนก็คิดว่าเขาเป็นเห็นรับสติปัญญาให้กับเราวกันค่ะบางทีก็ทุกบวมีปัญญาบอกเกิดค่ะพระอาจารย์อดทนอดทนอย่างเดียวค่ะก็ท่องท่องอย่างเดียวพทโทโธพุทอะไรค่ะเมื่อบอกมีบอกมีไม่เกิดเนียตัวบัลลัเท่า โอเคไม่มีอะไรนะวันนี้ไม่แน่พามสติสมาธิไว้นะอันนี้สําคัญถ้าอยากจะให้จิตใจสงบสบายไม่วุ่นวายกับใครต้องฝึกสติสมาธิบ่อยๆค่ะพระอาจารย์น้อมรับไปปฏิบัติค่ะเข้าใจดีที่ไม่มีอะไรมากระทบอค่ะปัญญาอย่างเดียวมันไม่พอะค่ะพระอาจารย์ต้องทำทุกอย่างค่ะคุณพระอาจารย์นะคะสาธุ ทางนีไปที่คุณคุณลาคุณลากราบนมรสการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสามคำถามจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติเจ้าค่ะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบนมรสการพระอาจารย์คะ่ะหนูเพิ่งได้เป็นผู้บริหารโรงเรียนแต่พบว่าครูในโรงเรียนปฏิบัติไม่ดีกับเด็กพอตักเตือนก็ไม่พอใจและเขาก็ยังกระทําต่อเป็นโรงเรียนรัฐบาลคะ่ะ ถ้านหนูรายงานผู้ใหญ่ก็จะกลายเป็นว่าฟ้องและกลัวเขาจะมีปัญหาแต่ก็สงสารเด็กค่ะควรจะทำอย่างไรดีคะก็คุยกับเขาก่อนคุยกับคนที่ทําผิดก่อนว่าถ้าทำอย่างนี้เรื่อยๆก็อาจจะเป็นจะต้องฟ้องต้องรายงานว่าเป็นหน้าที่ของเราคือให้ให้เขามีโอกาสได้ไ ด, ได้เตรียมตัวก่อนแต่ถ้ามันเป็นหน้าที่ของเรา เพื่อเป็นประโยชน์สุด ข, ของเด็กเราก็ต้องทตาตามหน้าที่ไปคำถามต่อไปกราบนมัสการครับพระอาจารย์ความรู้สึกของใจกับอารมณ์ของใจแตกต่างกันอย่างไรครับอันเดียวกันนะ่นะคำถามสุดท้ายมีคำพูดที่บอกว่าทุกก็สักแต่ว่ารู้สุขก็สักแต่ว่ารู้ให้รู้เฉย ผมสงสัยว่าถ้าทุกแล้วเราสักแต่ว่ารู้เฉยๆความทุกข์มันจะดับได้อย่างไรผมรู้สึกว่าความทุกข์มันไม่ดับจะดับทุกข์ได้ต้องใช้ปัญญาผมเข้าใจถูกต้องไหมครับกราบขอบพระคุณครับก็ต้องไปหาสาเหตุของความทุกข์ว่ามันเกิดจากอะไรถ้าใช้ปัญญาก็เกิดจากความอยากของเราอยากให้มันสุขพมไม่สุแล้วก็ทุกข์ง้เราอย่าไปอยากให้มันสุข มันจะสุกก็สุกมันจะทุกข์ก็ทุกข์ก็ปล่อยมนไปไม่ต้องไปหยาดใจก็จะไม่ทุกข์ก็ใจนะนี่คือปัญญาอาล้นะก็ที่ว่าหมดเวลาพอดีหมดคนที่จะถามจะตอบพอดีก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตรเจนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอด